หัวข้อเรื่องที่พูดตอนเช้าเนี่ยก็ถ้าจะว่าไปก็คือหลายๆประเด็นเอามารวมกันซึ่งก็บางทีเรายังย่อยไม่พอเหมือนกับอาหารเนี่ยถ้าเราเคี้ยวเคี้ยวกลืนเคี้ยวเคยวกลืนเนี่ยมันอาจจะย่อยยากทีนี้เราก็จะเอามาถ้าจะให้ย่อยง่ายลเลยอาหารมาบดมาปั่นอีกทีหนึง่ง ย่อยได้เร็วแล้วก็ทานได้สะดวกก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดความสุดุลสมบูรณ์จิตของเราก็เหมือนกันแล้วมีการย่อย อ, อาหารทั้งสาทางทางสุตมยะปัญญาเป็นการย่อยจากการฟังทางจินตามะยะปัญญาจากการย่อยจากการวิเคราะห์วิจัยการพินิจพิจารณาแล้วก็จินภาวนามยะปัญญาย่อยจากการกระทํา ซึ่งจนยินเนี่ยอาตมากับอาจารย์อภัยทำได้สองส่วนส่วนย่อยจา ก, การฟังและย่อยในการวิเคราะห์วิจัยในการพิจารณาแต่ในส่วนที่สามเนี่ยคือภาวนามายปัญญาเนี่ยยมต้องไปย่อยเอาเองซึ่งวันนี้ย่อยทั้งวันไม่รู้จะย่อยหรือเปล่าไม่รู้นะสงสัย อาหารทําไม่ค่อยย่อยก็ดูกระวนก็ะวาพอสมควรอยู่วันนี้จะนํามาบดมาย่อยให้กินให้ละเอียดให้ง่ายคนนี้อีกประเภทยกดื่มได้เลยว่างั้นถึงไม่ต้องเคี้ยวกันวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะได้ดจิตใจก็จะได้เข้มแข็งสมบูรณ์ก็ได้ธรรมธาตุซึ่งก็เยินวันนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์อภัยจะทําหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นผู้ถามหรือผูอ้ตอบเพราะฉะนั้น แก็เปลี่ยนกันถามเปลี่ยนกันตอบแล้วทำสะดวกกันแล้วกัน อ, จนอาจารย์ทำอยู่เลยครับก็การปฏิบูรณ์พระพ่อแล้วก็คณะสงฆ์ญาติโยมทุกท่านนะเช่นท่านบอกว่าคําวันนี้มีการถามสนทนา ต, ตอบก็คงจะไม่พูดออกนอกเรื่องนะพูดในเรื่องที่เราปฏิบัติกันดูเพราะอะไรเพราะว่านะถ้าพูดเรื่องตลกขบขันเฮฮาบางทีโยมกนะ็จะออก เขาเรียกว่าปล่อยใจมากเกินไปเอาเป็นธรรมะที่มันเกื้อต่อการที่เราจะได้อารมณ์ปฏิบัติแล้วยังก็คือถ้าโยมมีปัญหาอะไรที่อสงสัยในสิ่งที่พระอาจารย์ถามยังไม่หมดอะไรต่อนองเนี่ยนะแต่ถ้าตอบยังไม่หมดนี่จะตอบช่วยนีย่็ก็ได้นะไม่เป็นไรถ้าถามไม่หมดปัญหาอะไรที่มันบางครั้งนี่เรามองไม่ก็เห็นปัญหาเท่าไหร่ เพราะเราโยมเป็นคนปฏิบัติเองเนี่ยปัญหาต่ตตางๆเกิดขึ้นแต่ละวันจะเป็นผู้ที่รู้ดีนะพระเนี่ยไม่ค่อยคือผ่านมาแล้วบางครั้งก็ลมลืมไปก็มีบางครั้งพึ่งนึกพูดจบแล้วพึ่งนึกได้ว่านาจะถามปัญหานั้นซะก็มีฉะนั้นโยมก็ช่วยกันที่จะถามเฉะนั้นวันนี้ก็ขอการถามพระเดชพระงพ่อเลยนะครับเพราะว่าเนีย่ยอย่างไรก็ทางทิศคําถามยังนึกไม่ออกเท่าไหร่นะโยมนะ ก็เนื่องจากว่าโยมเป็นคนใหม่ก็มีเก่าก็มีในการปฏิบัติบางคนคนเก่าอย่างเช่นนะเอาโยมไหนเนาะเขาถามโยมไหนถามมาตอนเย็นมันนี้ยบอกว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปอย่างนี้นะพอ่อฟังหลวงพ่อเทียนท่านพูดตอนฉันเข้าวบอกว่าท่านไปเจอกุญแจกุญแจดอกที่จะเปิดเข้าสู่ประตูแห่งประตูพระนิพพานได้คือประตูที่เรา ผมทํามาวันเกือบสองวันแล้วลอาจารย์เมื่อไหรจะเจอกุญแจสักทีอย่างนี้นะเพ ร, ราะคนวโยนต่ใจร้อนอยากจะนะออกจากห้องนั้นเร็วๆก็เลยถามโยมว่าบางทีโยมอยากจะออกจากห้องนั้นจริงหรือเปล่ า, าก็มีนะเ <ๆ S 2> พราะว่าไม่ใช่จับประตูหลายครั้งแต่อย่าเพิ่งออกเลยอย่างนี้คนอนี้ก็มีแต่ก็ถามหากุญแจถ้าปัญหานี้เนี่ยทํายังไงจะเจกุญแจเร็วๆก็หลวงพ่อ ทีนี้ในที่เราสวดวันเนี้ยจําได้เมื่อสวดสติปัฏฐานสูตรทั้งหมดมันมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นกุญแจเนี่ยซึ่งในแต่ละหมดเนี่ยก็จะมีกุญแจล็อกอยู่นั้นว่าจําได้เมื่อกายเยกายาดุปัสสีวิ哈尔ติอาตาปีสติมาสัมปชาโนวินายโลเกอวิชาโทมนาสังนั้นสูตรนี้ทั้งสูตรนี้มาแทบจะจําได้หมดเลยนะ ทีนี้ไอ้คำที่เป็นกุญแจคืออาตาปีสติมาสัมปะชาโนนี่คําที่เป็นกุญแจทั้งทั้งสี่เลยนะแล้วกายเวท น, นาจิตธรรมก็จะมีคำเนี่ยเป็นกุญแจอยู่นั่นหมายความว่าในพระสูตรเนี่ยมีประตูอยู่สี่ประตูและแต่ละประตูมีกุญแจอยู่สามดอกนี่มีกุญแจอยู่สามดอกดอกที่หนึ่งคืออาตาปี ดอกที่สองคือสัมปชานดอกที่สคือสติมาถ้าเราลูกกุญแจนี่ไม่ใช่ว่าจะไปซื้อได้หรือจะไปหาได้นะต้องไปทําเองนะครับหมายความว่าต้องไปหาเหล็กหาขางหาทองเหลืองทองแดงเนะ่ยไปตีไปตัดไปแต่งไปสร้างเองซึ่งลูกกุญแจเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ให้ไม่ได้ต้องไปทําเองทําก็คื อ, อตัว กุญแจถ้าอาตาปีนี่คือเราทําเนี่ยที่เรายกมือนี่เป็นอาตาปีนะอาตาปีคืออะไรอาตาปีคือทําเครื่องเผากิเลสตะบะคือทําเป็นเครื่องเผากิเลสอะไรเป็นเครื่องเผาขันติคือความอดกัน้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเพราะฉนั้นขณะที่ทำเนี่ยต้องใช้ความอดทนมากๆเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหิวเดี๋ยว อัดเดี๋ยวฟุง้งซ่านเดี๋ยวง่วงต้องใช้ความอดทนลูกเดียวถ้าหากว่าไม่อดทนกุญแยนี้ถ้าคุณแจนี่เหล็กอ่อนเราเลยไปใส่แล้วบิดไปยังไงมันหัก <c oughs> มนกันถ้าหากว่าตัวความตั้งใจความขยันเนี่ยไม่เหนียวแน่นจริงๆเนี่ยเวลาความคิดเข้าไปเนี่ยหมุนออกเนี่ยปรากฏ ว, ว่าแทนที่ไอ กุญแจมันจะเแม่กุญแจแทนที่มันจะเปิดล็อกได้แต่กุญแจนะครคือแทนที่ความคิดที่ไปล็อกจิตของเราเนี่ยมันจะออกแต่สติของเราหมดกําลังมันไม่ออกยังคิดเฉยเลยนะมันคิดเท่าไหร่จะเอาสติไปกําหนดมันก็ยังคิดเฉยเลยนี่เขาเรียกกุญแจหักคือความเพียรไม่พอมันต้องกําหนดรู้บ่อยๆดูบ่อยๆเมื่อกําหนดรู้มันยังไม่หลุดคําความเพียรแรงๆชัดๆเข้าไปนี่เขาเรียกเสริมนะนี่ดอกที่หนึ่งนะ ดอกที่สองก็คือเผาด้วยอะไรร้อนแรงด้วยอะไรขันติความโุทนหมายคือทาไม่ทําไม่หยุดแต่ว่าลักษณะทําไม่หยุดต้องมีอีกสองอันในตามปกติกุญแจเนี่ยไม่ใช่เราสังเกตไหมว่าดอกกุญแจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลุ่นลุ่ น, นข้าไปแบบตะปูนะมันจะมีอะไรเป็นเขี้ยวเขยวใช่ไหมเป็นเขี้ยวเขีย้ยวหยักหยักนนี่ยกุญแจนี่มันมีสองหยกักหยากที่หนึ่งเรียกว่าสัมปะชโน คือมีความรู้ตัวทั่วพร้อมขณะที่เพียนเนี่ยต้องรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งทั้งทั้งทั้งตัวหัวจุดเท้านะรู้ตัวทั่วพร้อมนี่คืออยากอยากที่สองคือสติมาคือมีความรู้สึกตัวแล้วกระตุ้นความรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวที่เป็นสติกับสัมผัสต่างกันยังสัมผัสคือหมายความว่ารู้ไปทั้งหมดแต่ว่าสตินั้นคือรู้จุดที่จะทําให้เกิดความรู้สึกทั้งหมด เบียดเสมือนไฟไฟนี่มันเวลาเปิดขึ้นมันสว่างทั้งห้องใช่ไหมแต่จุดที่มันจะสว่างทั้งห้องได้คืออะไรคือสวิตเพราะนั้นสติเหมือนสวิตสัมภิญญาเหมือนแสงสว่างดวงไฟกับสวิตสัมพันธ์กันฉันใดตัวสติกับสัมภิญะสัมพันธ์กันฉันนั้นแต่ตัวที่เป็นอาตาปีอันนั้นคือความไฟที่มากับสายเป็นตัวอาตาปี เพราะนั้นสามอย่างนีสัมพันธ์กันไฟพลังไฟอ l เล็ก i c ิก e อ็นดิ e ี่อิเล็กทรพที่มากับสายเนี่ยเป็นตัวอาตาปีหลอดไฟเป็นสลอดไฟแสงไฟเป็นสัมปชานสวิต ท, ที่ออฟอ่อนเป็นสติมาเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนทำสามอย่างนี้เข้าใจได้สำเร็จก็ได้กุญแจครับครับโยมเริ่มทำกุญแจแล้วยังน่ะถ้าคุณแกยังไม่ เข้มแข็งอย่เพิ่งจะไปเสียบแสรูมันนะคุณแจาหากักคาแล้วก็นะไม่เจอกันง่ายนะนะฮะแต่ก่อนอื่นจะต้องหากุญแจให้เจอซะก่อน mm. คําว่ากุญแจก็นี่ก่อนพ่อจะกล่าวไปแล้วอาตาปีสติมาสัมมชานุนะ mm. ก็มีความเพียนเป็นเครื่องเผานะความเพียนบางคนก็เพียนอยู่นะแต่ว่าเพียนแป๊บหนึ่งมันเริ่มจะร้อนแล้วก็ย้ายที่ไปแล้วอย่างเงี้ยนะว่าบาทีก็เป็น ไถลากเสือรอบสวนส้มเลยก็มีอย่างนะเงี้ยเดีกยก็ลากเก้าอีไปตรงนั้นตรงนี้นะครับไถลากเสือก็ไถ <laughs> <laughs> ลากศาสตร์ลากเสือนะครับ <laughs> อันนี้ก็อยากให้มันเผาทีไรมันเผาก้นแล้วอยู่ก็ที่ไม่ได้นะก็ธรรมดานะครับเรียกวตบะเรายังไม่เข้มแข็งทีนี้หลังจากที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องการในหนังสือธรรมวัตรเมื่อกี้นี่ก็นะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ hey, บทแรกๆเนีบางครั้งก็บอกว่าเธอพึงรู้ชัดว่าเห็นไหมเดี๋ยมจะเห็นนะแล้วบทหนึ่งต่อมาก็บอกว่าพึงศึกษาว่านะเลยเพราะหมวดของลมหายใจเนี่ยทําไมถึงไม่บอกว่าให้รู้ชัดว่าแต่ว่าให้บอกว่าพึงศึกษาว่านะแล้วหมวดอ่าต่อไปหมวดกายาหมวดอริยบทนะอริยภพพาเนี่ยจึงจะบอกว่าพึงทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ ไม่เหมือนกันนะตอนแรกพึงรู้ชัดอันที่สองคือพึงศึกษาว่าศึกษาคือศึกษาเอาพยายามทําความเข้าใจอันที่สามคือพึงทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเดินการยืนการนั่งการนอนการเหยียดการโค้งการแะไต่างๆเนี่ยทาไมต้องมีความแตกต่างทั้งที่เป็นหมวดกายาเหมือนกันครับผมอือตรงนี้เป็นข้อสังเกตที่ มาคิดนะถ้าเราไม่หยิบยกขึ้นมาก็ลุกซผพันผ่านไปเพราะนั้นในเรื่องของในหมดวดต่าด้วยกายโดยเฉพาะกายเวทนาพึงรู้ชัดเนี่ยคือร่างกายเนี่ยใช่ว่าประชานาติให้รูช้ชัดว่าอะไรเป็นคำว่ารู้ชัดในที่ไม่ได้มาว่านึกขึ้นมาเป็นภาพนะว่าอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปุงเป็นอย่างยางไม่ใช่รู้ชัดแบบจินตนาการแต่รู้ชัดในอาการ อย่างขณะที่เรานั่งเนี่ยอาการปรากฏในตัวของเราเนี่ยอันไหนชัดระหว่างความเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งแข่งตึงไหวเจ็บปวดอันไหนชัดกว่ากันให้รู้อาการนั้นชัดชัดลงไปว่าคําว่ารู้ชัดไม่ใช่รู้รู้เฉยเฉยนะอาการที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ามันเป็น มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนให้รู้ชัดชัดแบบนั้นนะถ้ารู้แบบซื่อเบื่อคือรู้เฉยๆน่ะรู้แบบไม่มีปัญญาอันนั้นเรารู้ซื่อเบื่อเขารู้ชัดชัดคือมันเป็นอะไรดูให้ชัดชัดว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยไอ้ความรู้ปวดเนี่ยรู้สึกปวดห้วยแล้วสักหน่อยหนก็เกิดความงุ่มหิดลำคานนะอยากจะลุกไปที่อื่นนั่นแสดงว่ารู้รู้ชัดหรือยังไม่ชัดถ้ารู้ชัดมันจะทําให้เรารุกไปไม่ได้ มันจะต้องสู้กับมาอันนี้เราไปเฉยเลยใช่ไ้มรู้มันไม่ชัดมันเลยไล่เราหนีเฉยเลยนะเออเราเราก็ตรงนี้ไม่ชอบอยากจะไปตรงนั้นนี่ก็เลยรู้ไม่ชัดถ้ารู้ชัดนี่อะไรกันแน่เนี่ยเมื่อกี้ฉันนั่งอยู่ดีๆแล้วทําไมบีบขาฉันเนี่ยใครกันแน่มาบีบขาหาอะไรใหญ่เลยนี่เขเรือรู้ชัดๆคือหาเหตุว่าทําไมเมื่อขี้แกปวดแกกายแต่ทําไมใจมันจะต้องอยากไปทางอื่นด้วยนะใช่ไหมเพราะกายกับใจเป็นคนละอย่างกันแสดงว่า ไอ้ร่างกายไม่สบายจิตใจก็ชักไม่สบายไปด้วยแสดงว่ามันไม่ชัดละถ้าชัดใจยังต้องแยกออกมาอ๋อไอ้ตัวนี้เหะรู้ชัดเลแล้วแก้ไขพราะแก้ไขหายกานันนี่เขาเรียกว่ารู้ชัดคือรู้แล้วแก้ไขได้รู้แล้วปวดเพื่องได้เรียกว่ารู้ชัดอันนี้ในในส่วนอิยบทใหญ่นะมันใช้คำว่าอะไรคัดชันโตวว่าคัดฉันมิติปัญชานาติใช่ไหมอ่ะ ทิโตวาทิโตมาหีติปัญชานาตินีสินโนวานิสินโนมาหีติปัญชานาติสายานวาสายาโนปัญชานติสมาหีติปัญชานาติท่านใช้ปัญชานาติใช่ไหมให้รู้ชัดๆถึงอาการทั้งเนี่ยแล้วต่อมาก็อีโบทย่อยเพระอีบทย่อยท่านใช้ก็ว่ารู้พร้อมไม่รู้ชัดแล้วทีเนี่ยท่านใช้คําว่าอะไรอภิกกนเปติเกตเตสัมปัญชานกาลีท่านใช้สัมปัญชานกการีไม่ใช้ชัมปัญปชานาติเลยให้รู้ รู้สติั่นต้องรู้ชัดแต่สัมผัชญญ่ญตินั่นเป็นไงรู้พร้อมเนี่ยและสวดรู้ไหมแม่ไม่ใหญ่รู้แต่ว่าไม่ไม่เห็น <c oughs> รู้ว่ามันแปลว่าอย่างนี้แ ต, แต่พอมาบทที่เมื่อกี้นะว่าด้วยเรื่องของอาณาปานาสติหมดกายาอาณาปสนิปสติว่ า, าบทว่าอะไรนะ สพสังข า, าปฏิสังเวทีจิ ต, ตะปฏิสังเวทีอสสะสสามิติสิคติพึงทําความศึกษาว่ารู้เรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจะหายใจออกตรงนี้ให้ศึกษาสภกายยะปฏิสังเวทีจิตะปฏิสังเวทีนะให้ทำความศึกษาว่าเมื่อรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต ทั้งปวงจกหายใจเข้าจากหายใจออกนั่นหมายความถ้าเกี่ยวข้องด้วยด้วยละเอียดลงไปให้ศึกษาถ้าเกี่ยวข้องได้ส่วนหยาบนั้นให้รู้ชัดกับรู้พร้อมใช่ไหมอาศิซามีติสิคติพึงทําความศึกษาว่าสิคตินั่นแปลว่าศึกษาเพราะฉะนั้นเรื่องจิตเนี่ยท่านไม่ได้ไปไปจับเอาไปตัวแต่ให้ศึกษาทีนี้คําว่าศึกษานี่แปลว่าอะไรอันนี้ามา จะถามยศกับมหาภัยแล้วที่นี่นะศึกษาแบบในสัาานตประทานในการแบบไหนท่านถามอะไรนาโยมเบมากี้เเอาตํารามากางเลยนะคาว่าศึกษาในเมื่อที่เราถามท่านว่าทำไมในส่วนที่ทําไมต้องใช้อรู้ชัดแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วพรอมอันนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะครับว่าในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับ รมหายใจเนี่ยเ่ยวกับลมหายใจเนี่ยก็คือให้ทําความให้ศึกษานะส่วนอรียบทจับยาบยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้ทำความรู้สึกตัวให้ชัดไหนะให้รู้ชัดยมรู้ชัดหรือยังเ น, นะฮะส่วนมากสังเกตดูเวลาเราปฏิบัติเนี่ยตอนตอนปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าทำพยายามทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ยนะในการยกมือเคลื่อนไหวโยนแต่พอเวลาลุกไปเนี่ยไม่รู้ชัดเลย รู้ชัดอย่าง้ว่าจะไปอะไรนะจะไปที่ไหนนจะรู้ชัดกันฉะนั้นก็นะกําหนดรู้ให้มันชัดในการที่ยืนเดินนั่งนอนในส่วนนั้นนะครับอะต้องข้อถามอะไรต้องข้ินารณลืมแล้วศึกษาคําว่าศึกษานี่หมายถึงอย่างไรโดยอัฐาพยัญชนะนะครับถ้าโดยโดยพยัญชนะก็คําว่าศึกษา ก็มาจากคําว่าต้องต้องต้องเอาเอาอักษรซะก่อนเราถึงจะคําของเข้าใจได้ใช่ไหมคําว่าศึกษามาจากคําว่าอิคข์นะบวกสัสะบวกอิคข์นะสัคือสะหะ์ตัวนั้นสะแปลว่าสังคพร้อมกับดีนยนะสัสกังนะ ส, ส, งสยังใช่ไหมสัสยังแปลว่าเองนะสะยังแปลว่าเองหรือสยามประเทศไทย ตัวเองเป็นเองเนะี่ยแล้วก็มาจากอีกขาอีกตัวหนึ่งอีกขาแปลว่าเห็นอีกขาท่าในความเห็นฉะนั้นมารวมกันแล้วในี่ยสบากันแล้วนี่ส่ายังบวกอีกขะเป็นสึกขาเป็นศิก ข, า, กขาหรือศึกษาสึกขานี่คือเป็นภาษาบาลีแต่ว่าพอเป็นภาษาไทยสันนิษฐเขียนเขาว่าศึกษาแปลว่าเห็นเองนักศึกษาแปลว่าผู้ต้องศึกษาเองเห็นเอง เห็นตัวเองนะฉะนั้นความหมายของการมาศึกษาแปลว่าเห็นเองศึกษาเองรู้เองในส่วนนั้นทีนี้โดยอัดถักรู้อะไรทีนี้นะสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ ต, ตอนนี้เราศึกษาอะไรตอนนี้เราไม่ได้ศึกษาเรื่องอื่นแต่ศึกษาเรื่องกายกับใจของเราฉะนั้นให้ศึกษาเรื่องกายซะก่อนเบื้องต้นอย่าไปพึ่งศึกษาเรื่องใจเพราะแมวเราเป็นตัวเล็กอยู่ ศึกษาเรื่องกายมาทั้งว่าศึกษาเห็นกายในกายเห็นกายในกายตัวนี้ก็ันที่สวดไปเมื่อกี้น ะ, ะเห็นในส่วนกายานุปัสนาแต่ว่าในตรงนี้เราเน้นเอาหยาบๆซะก่อนอย่าเพิ่งไปดูในส่วนที่เป็นหายใจเข้าหายใจออกบางคนก็ทั้งยกมือทั้งกําหนดลมหายใจเพ่งทั้งสองอย่างตาถลนเลยก็มีแน่นบอกมันมันเครียดเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะ อินทรีย์เราไม่แข็งสติเราไม่มากจะกําหนดรู้ได้พร้อมกันหลายอย่างฉะนั้นรู้รู้ทีละอย่างซะก่อนเอาหยาบหยาบบางทีตอนนี้เราศึกษาเรื่องการเคลื่อนไหวนะยกมือขึ้นยกมือลงเอาปุ๊มันมาสร้างจังหวะให้มันชัดเจนซะก่อนพอสร้างจังหวะชัดเจนตัวนี้แล้วเนี่ยในส่วนกายานโฆษณาแล้วก็ไปค่อยไปศึกษาเรื่องจิตคือไม่ต้องศึกษามันก็จะเห็นวมันเองจิตอ่ะขณะที่เรายกมืออย่างนี้ยตอนแรกมันยังไม่ชัดเจนเห็นไหม พราอะไรพรสติเราน้อยมันจะคิ ด, ดอยู่ตลอดเวลามันไปมันหมุนรอรอตลอดเวลานั่นแหละแต่พอเราสติเราเริ่มชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นมันจะไปเห็นความคิดเองเราค่อยไปศึกษาอีกทีหนึ่งว่าความคิดนั้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีโกรธมีโลภมีห ล, ลงอะไรเจ้าปนหรือเปล่าอ่านนั้นคือส่วนของศึกษาเรื่องจิตนะครับตัวนี้เคลียร์ไหมหลวงเก็บจะเคลียร์เหมือนกันนะเก็ดจะเคลียร์ สามอย่างนะถ้าศึกษาในส่วนหยาบนอกสุดให้รู้ชัดถ้าชั้นที่สองส่วนละเอียดลงไปให้รู้ทั่วรู้พร้อมรู้ทั้งหมดนะรู้ชัดหรือรู้เป็นส่วนๆเช่นขณะนี้มันปวดหลังก็รู้ชัดเถอะมันปวดปวดนี่เป็นอะไรเป็นเราหรือเป็นเขาเป็นอนิจจมทุกทุกขเ์เนื้หน้าตามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงรู้ชัดชัดลงไปพอรู้อย่างนี้ปับ๊บแทนที่เราจะงุนีตะลังขานกับมันใช่ไหมปวดทนได้หรือไม่ได้ เพราะมันไม่เที่ยงจะทําไงให้มันเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะปล่อยมันไว้หรือจะต้องแก้ไขมันการเข้าไปแก้ไขให้มันนั้นไม่ไหมายความว่าให้มันเที่ยงนะแต่เข้าไปทุกต้องกําหนดรู้ใช่ไหมสมูทัยของมันก็คือทําไมมันจึงปวดเพราะเรานั่งท่าเดียวใช่ไหมบล็อกเลือดลมม่ให้มันผ่านเหตุของมันก็คือนั่งไม่ถูกก็แก้ไขมันถูก พอแก้หลุขยับปั๊บเลื่ลมผ่านไอความที่ปวดไปไงหายไปไงสมูทายแก่สมูทายถูกละไอตัวนั่งที่มันไม่ถูกเสียก็เป็นเป็นสมูทายพอละถูกแล้วนิโรธเกิดไหมนิโรธคืออะไรนิโรธคือความปวดนั้นหายไปแล้วปวดหายไปแล้วเดี๋ยวมันปวดมาอีกเนื่องจากว่ามันเป็นสังขารมันก็จะวนอยู่อนนีจังทุกข์วอนอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นสังขารดังนั้นเอาอาริยสี่มาแก้ อันนี้เอาตัวตัวกายก่อนนะเป็นหลักก่อนนะเอานีเจ ส, สีมาใช่กับกายเสก่อนนี่เขาเรียกว่ารู้ฉัดรู้พร้อมทีนี้พอมาเป็นเรื่องของลมหายใจเมื่อกี้อานาปนสติท่านใช้ว่าสิกอาสะ ศ, ศิษามิติสิกติหายใจออกพึ่งทําความศึกษาว่ากําหนดรู้ธรรมกายสังขารให้ส ง, งบระงับอยู่จากหายใจเขา้าทําความศึกษาหมายเขาว่าใจตัวการเคลื่อนไหวของลมของริยาบทมันเกี่ยวข้องด้วยจิต ไอาการที่มันเกี่ยวข้องด้วยจิตเนี่ยมันจะต้องศึกษาศึกษาแปลว่าเมื่อกี้ว่าที่ว่าเห็นศึกษาไว้ว่าเห็นด้วยตัวเองเห็นความเป็นอย่างนั้นของมันเองเห็นตัวเราเองเพราะฉะนั้นคําว่าศึกษาว่าเขาว่าสังฆคติสิขา สยังอิคติสิขาสะอิคติสิกขาในความหมายเพราะฉะนั้นเอารากเอารูปมาจากภาษาบาลีการเห็นตัวเองก็ใช่เห็นเองก็ใช่เห็นความเป็นเองของธรรมชาติอันนี้ก็ใช่อย่างลมหายใจเนี่ยได้สร้างมันด้วยมันมันเป็นเองอย่างยกมือเนี่ยต้องได้สร้างใช่ไหมแต่ลมหายใจเนี่ยต้องได้สร้างไหมมันเป็นเองแล้วเข้าออกของมันเองต้องศึกษาแต่ถ้าหากว่าเราได้สร้างมันขึ้นเนี่ย มันไม่เป็นสิกิติต้องใช้ประชานติคือให้รู้ชัดๆว่าเรายกเนี่ยรู้ชัดไหมนี่คือให้รู้ด้วยสติแต่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยต้องศึกษาเพราะว่าเพราะมันเป็นเองเพียงแต่เราเข้าไปศึกษาเข้าไปกําหนดรู้เข้าไปเห็นความเป็นเองของมันเพราะนั้นศึกษาก็เห็นความเป็นเองของสิ่งนั้นแต่ว่า ทางโลกเขาเอาคำว่าศึกษาไปใช้กับวัตถุข้างนอกมันเลยคนละประเด็นกันแต่ในบาลีท่านเอาให้คําว่าศึกษาเนี่ยมาใช้กับสิ่งที่เป็นอยู่ข้างในกายหรือว่าเห็นความเป็นเอ็นของสิ่งนั้นเรียกว่าศึกษานะแต่ทางตําราเขาเรกว่าสิ่งใดก็ตามสิ่งที่จะทําให้จิตใจของมนุษย์เชาติหรือสัตว์ทั้งหลายจเจริญขึ้นทําให้จิตใ จ, จเจริญขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าการศึกษาอนะันเป็น definition หรือเป็นนิยามของสิ่งที่เขาให้การศึกษาครับอันนี้ก็ชัดเจนอ่าก็ไม่สรุปแล้วนะแล้วก็มีนะโยมเวลาปฏิบัติเาก็เอาเป็นใกล้ๆนิดดีวกว่านะก็คือเวลาปฏิบัตินะ<ม>บางคนก็แล้วแต่เวลาก็มาถามพระอาจารย์นะครับบางครั้งเวลาปฏิบัติเนี่ย มันเหมือนไม่ได้อะไรเหมือนเฉยๆอยู่ยกมือก็เหมือนฟรีมันอะถามมายมคิดไหมไม่รู้นะบอกคือถามว่าคิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าคิดหรือเปล่านะบางครั้งมันก็หนักหน่วงมันหนักหน่วงตัวนี้หมายถึงว่ามันยกมือจะไม่ขึ้นมันฝืดมันเครื่องมันอะไรต่างๆวะเนี่ยฉะนั้นอารมณ์แต่ละวันวันเดียวเนี่ยแต่ว่าแต่ละครั้งมันมันต่างกันเยอะมันเป็นเพราะสาเหตุใดจะแก้ด้วยวิธีใด เนื่องจากว่าการศึกษาจิตเข้าไปแบบนี้เนะี่ยเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการทําสมถะกรรมฐานนั่งให้จิตสงบบังคับให้จิตสงบเป็นเรื่องเกา่าสําหรับชาวพุทธนะทำไงให้จิตสงบนั่งนิ่งเอาอะไรมาบริกรรมอะไรมาให้จิตมันอยู่เช่นลมหายใจบริกรรมยุบเนอของเนอพุทโธสัมมาหังให้จิตมันอยู่วนอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้ทุกคนคุ้นสําหรับชาวพุทธนะแต่ทีนี้พอมาทําแบบเนี่ย มันไม่ได้เอาคําเรานั่นมาเป็นบริกรรมไม่ได้สะกดจิตไม่ได้บงังคับจิตไม่ได้ไปดูลมเนี่ยมาทํายกมายุงเห ม, มือนไม่เห็นเป็นมีอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่มากสําหรับเราเพราะฉะนั้นมันจึงอดสงสัยไม่ได้นะดังนั้นเองให้เปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่ว่าวิธีการอันนี้ไม่ใช่วิธีการที่เราจะปั้นน้าให้เป็นตัวเหมือนกับปั้นลมหายใจให้เป็นสมาธิเราจะไม่ทําแบบนั้นส่วนใหญ่เราปั้นลมหายใจให้เป็นสมาธิมันจึงคุ้นแล้วปั้นน้ำให้เป็นตัว แต่เดี๋ยวนี้เรามาละลายน้ำแข็งให้เป็นน้ำธรรมดาเพราะน้ำแข็ง น, นี่กินเยอะๆก็ไม่ดีนะถ้าพิการอาหารไม่ย่อยเลยนะให้เป็นน้ำธรรมดาที่ดื่มได้น้ำนั้นไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเป็นน้ำธรรมดานั้นตัวรู้สึกตัวทุกความเป็นความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่สุดเนะี่ยแต่ไอความรู้สึกธรรมดาเนี่ยจะทํายังไงให้จิตเราไปคุ้นเคยเพราะมันเป็นธรรมไงเรียกว่าธรรมดาอะ ในธรรมนิยามท่านบอกว่าธรรมชาติที่เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วธรรมดาต้นเนี้ยธรรมะิจตาธรรมนิยามะตาในธรรมนิยามบอกว่าไอ้ความเป็นธรรมดาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ต่างความเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงน่ะความเป็นธรรมดาของสังขารมันมีอยู่แล้วธรรมดาของสังขารคืออะไรธรรมดาของสังขารทั้งหลายทั้งปวงคืออะไร ธรรมดาของสังขารคืออะไรอันนี้เป็นข้อสอบต้นๆเป็นปฐมอนุบาลที่สุดเลยต้องตอบให้ได้อย่าให้ตกเชียวน ะ, ะตกเลยและหนมน้องไปธรรมดาของสังขารคืออย่าลืมอนิจังทุกขังอนัตตา เออนี่คือธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามในธรรมนิยามใช่ไหมธรรมชาตินี้มีอยู่แล้วธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าจะเกิดไม่เกิดมีอยู่แล้วธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไปทุกไปหนะ้าตาคือธรรมดานะเพราะฉะนั้นทําไปแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกโอ้มันธรรมดามากสบายาอันนี้หมายความว่าพบทำแล้วแต่การว่าพบทำแล้วสึกูมันไม่มีอะไรนะโลกโจ่งเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเลยไม่อยากจะทําทนี่แสดงว่าไม่รู้จักธรรมดาแเราก็เลยอยู่กับธรรมดาไม่ได้ มันปวดอ้าวมันก็เป็นธรรมดาเนี่ยถ้ามันไม่ปวดนี่นั่งนานๆไม่ปวดดิผิดธรรมดาน่ะเช่อไหมไม่ธรรมดาแล้วนั่งไปนานๆไม่ปวดเลยนี่ผิดแล้วเออเช่อไหมเออมันไม่ปวดนี่ผิดแล้วที่มันปวดนี่แน่นอนมากมันต้องเป็นอย่างนั้นคือธรรมดาของมันแล้วเราจะไปฝืนธรรมดามั้ยเราไปทุกข์กับธรรมดาแสดงเราไปฝืนธรรมดาเราไม่ยากให้ปวดเออมันผิดธรรมดาอ้าไม่ได้มันต้องปวด แต่หน้าที่ของเราเวลามันปวดขึ้นมาแล้วจะเอาประโยชน์จากมันอย่างไรการที่รู้จักเอาประโยชน์จากสิ่งธรรมดา น, นี้คือวิปัสสนาแต่การที่ไปต่อต้านใ้ความเป็นธรรมดานีเน่เรียกว่าเราผิดปฏิบัติผิดเราไปโทษใครอ่ะโทษเอาวิชาไม่ใช่โทษอาจาราย์เอาใคเนี่ยไ <laughs> ม่ได้บอกความจริงตั้งแต่แรก <laughs> นั่งแล้วมันง่วงมันเง า, ม, เามันเบื่อมันเซ็งนี่ธรรมดาที่สุดแต่ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ถือว่าผิดธรรมดามากกลับบ้านเลยอย่าได้ปฏิบัตินะถือว่าผิดธรรมดาเอพมันไม่ไม่สิ่งเหล่านี้แหะคือเป็นธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นธรรมดามากเขาโยมก็ไปท่อง น, นะธรรมดานะ <c oughs> <c oughs> มันเบื่อก็ธรรมดายกมือไปจลับคำหนดไปเรื่อยๆมันอยู่เฉยๆก็ธรรมดาธรรมดา มันเก็บมันปวดก็ธรรมดาแต่อย่าไปท่องบริกรรมอย่างเดียวต้องเปลี่ยนด้วยนะทีนี้พอดีหลวงพ่อพูดในเบื้องตน้นเมื่อกี้นี่หลายคนที่มาปฏิบัติเยส่วนมากก็เป็นคนที่ยังไม่ได้ศึกษาในส่วนที่เป็นปริยัติมาก็ได้ยินหลายที่ไร้แหงเพราะว่าการว่าปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบัติธรรมบางคนก็บอกสมถะบางคนวิปัสนาแล้วบางคนก็บอกว่าก่อนจะเป็นวิปัสนาต้องเป็นสมถะก่อน นะครับฉะนั้นก็อยากให้หลวพ่ออธิบายอารมณ์อย่างไรเป็นสมถะทําอย่างไรเรียกว่าสมถะแล้วก็ในส่วนไหนเรียกว่าวิปัสนาหรือว่าเรียกว่าภาวนานะสามคําคือหนึ่งสมถะสองวิปัสนาและสามภาวนาเห็นว่าตอบได้ก็ถามเ อ, ถ า, มอมาถามเอาไม่ก็ทํากันเดี๋ยวทรรมท่านจะตอบไม่ได้ว่างแบบนี้นะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็บอกไปภาวนากันไหมใช่ไหม ไปภาวนาคําว่าภาวนาเนี่ยเป็นชื่อของการกทระทําทําแปลภาวนาแปลว่าเจริญถ้ามาใช้กับจิตเขาเรียกว่าภาวนาถ้าไปใช้กับวัตถุเราเรียกว่าอะไรพัฒนาอคําเดียวกันถ้าไปใช้กับวัตถุเป็นพัฒนา <โ Curiosity. S 1> ไปใช้กับจิตเกาเรียกว่าภาวนาทําให้มันเจริญทําให้มันมีขึ้นทีนี้อการทําให้เจริญให้มีขึ้นมีสองส่วนทําให้จิตมาตั้งอยู่ที่กายได้เขาเรียกว่าสมถภาวนา ทำให้จิตมาตั้งอยู่ที่ปัญญาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาหรือทำให้จิตมาตั้งอยู่ที่กายได้เรียกว่าสมถาะาหรือสมาธิแต่ทำให้จิตมาตั้งอยู่ที่ความรู้จิตมันมีสองอย่างนึงความรู้ถ้ามันไปตั้งอยู่ในความไม่รู้อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ไม่ใช่วิปัสนาแล้วเป็น วิปัสนูเคยได้ยินคำว่าวิปัสณูไ่าถ้าเอาจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอวิชชาขเขาเรียกวิปัสนูแต่ถ้าเอาจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นวิชาเรียกว่าวิปัสนาแต่ถ้าเอาจิตไปตั้งอยู่ที่กายที่กระทำอยู่เรียกว่าสมถะสมถะมีอยู่สองแบบหนึ่งสมถะแบบวิถีพราหมณ์สองสมถะแบบวิถีพุทธอยากจะรู้ไหมวิธีพุทธพิธามตังอะไรเงี้ สมถะเป็นที่เป็นวิถีพราหมณ์เนี่ยเราทํากันมานานสองพันกว่าปีแล้วแล้วกับพระพุทธเจ้าก็เคยทํามาด้วยที่กล่าวไปตอนเช้าว่าพระพุทธเจ้าไปทําวิปัสนาแบบวิถีพราม์กับใครก่อนที่จะมาพบด้วยวิธีของตัวเองเนี่ยไปทํากับใครอาราด า, ดาบดูทักการาดาบดทําจนกระทั่งว่าได้ฤทธิ์ได้ดไดเดชได้ปฏิหารได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเอาความคิดออกจากใจไม่ได้ นี่ที่พุทธเจ้ามาสะกิดใจคือสามารถสงบจิตสงบใจตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่แปดสามารถหองเหินเดินอากาศดําดินบินบ น, บนล่องหนหายตัวได้แต่ว่าความคิดมันไปไม่ออกจากใจได้นี่คือที่มันเป็นสมถะเฉะนั้นสมถะวิถีพราหม์คือทําให้จิตมันเกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอะไรขึ้นมามากมายแต่ว่าไม่สามารถจัดจัดการกับกิเลสได้เพราะฉะนั้นสมถะวิถีพราหมณ์ผลออกมาก็คือทําให้เกิด พลังฤทธเดชปฏิหารได้เกิดนิมิตสีแสงอะไรต่างๆเนี่ย <Okay. S 1> เป็นสมถะแบบวิถีพราหมหมดนะแต่ทีนี้สมถะแบบวิถีพุทธคือวิสมถะที่มาตั้งอยู่ในเรื่องความรู้ที่เป็นไปในกาย นะว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างไรที่ไปที่มาเป็นไงเอาจิตของเราเนี่ยมาวนอยู่ในเรื่องกายกายมันเป็นอย่างไรเคลื่นอนยังไงไหวยังไงเจ็บยังไงปวดยังไงเที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรเข้ามารู้อาการเหล่านี้อจิตเข้ามารู้ในวงการที่เป็นรูปทั้งหลายทั้งปวงตั้งหยาบกลังละเอียดเนี่ยเรียกว่าสมถะวิถีพุทธและสมถะตัว น, นี้จะไปเอื้อต่อวิปัสสนาเพราะฉะนั้นไม่ใช่สมถะไม่ดีนะแต่ต้องรู้ว่าวิถีพุทธหรือวิธีพรามณ์ ถ้าวิถีพุทธนั้นแน่นอนดีเพราะมันมาเอื้อให้เกิดวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นวิธีพราไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้เพราะพุทธิยถาถึงทิ้งอย่างไงหลพ่อเทียนใช้คําว่าทางที่ไม่ใช่ทางคือเป็นทางแต่ว่ามันไม่ใช่ทางไปตรัสรู้แต่เป็นทางไปสู่ลิสูเดสูปฏิหารสู่พลังอํานาจต่างๆซึ่งชาววันตก่อยชอบใช่ไหมนั่งสมาธิแล้วสามารถลอยตัวได้อามาเห็นในวิดีโอนะ ลอยตัวได้เขาก็มีแข่งกันนักสมรรถะของของใครบ้างตอนนั้นหลายปีแล้วของอเมริกาของโซเวียตของจีนเนื่องจากเขาแข่งพลังอาวุธภายนอกกันแล้วนะ<ม>เขาย<ม>ังแข่ง<ม>พลังภายในกันด้วยนะโดยการนั่งสมาธิ ї, สะกดแข่งกันว่าใครจะเหาะได้สูงกว่ากันปรากฏว่าจีนชนะได้ทีสูงถึเพื่มยีบห้เมตรอเมริกาได้แค่7เมตร แต่สวีเดได้สิบเมตรแต่จีนได้สิบห้าเมตรเออเนี่ยอันนี้เป็นสมถะแบบวิถีพรามณ์เพราะฉะนั้นแบบนั้นทําให้เราเสียเวลาเพราะเป็นทางที่ไม่ใช่ทางแต่พ ร, รากุศลเจ้าพูดเราก็ชอบกันมากที่สุดใช่ไหมเพราะเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าเรียนผ่านมาแล้วแต่เราก็ไม่เอาอย่างพระพุทธเจ้าแต่ไปเอาอย่างอุทะการดาบทอยู่อันนี้คือความแตกต่างครับคก็เอ่อ สมถะภาวนาวิปัสสนานะคนุณมเคลียร์ไมข้อเนี้ยนะถ้าไม่มีก็ถ้ายังสงสัยอยู่ก็ไปถาม่ันส่วนตัวได้นะแล้วก็ <c oughs> ในการปฏิบัตินะครับเราก็เอาเข้ามาในวัดของเราอีกนิดหนึ่งว่าอ่าหลายคนก็อินทรีย์ก็แตกต่างกันนะพื้นฐานก็แตกต่างกัน บางคนก็อความพร้อมในส่วนที่เคยทํามาบ้างหรืออะไรต่างๆหรือบางทีก็ผ่านมาแล้วแต่ว่ า, วามาทําอีกก็เจออีกเนี้ยอุปสรรคของการปฏิบัติที่บอกว่าห้าอย่างเรียกว่านิวรณห้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วตัวไหนที่หนักแล้วตัวไหนที่ควรจะอ่าเอาชนะมันได้อย่างไรแต่และตัว อันนี้ก็ขอนี้วอนหลวงพ่อได้อธิบายความจริงปัญหาเรื่องของนิ้วอนมันเป็นญหาเรื่องปฐมมากๆเลยนะแต่ว่าทิ้งกันไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะมันเจอทุกคนนะนะนี้วอนความจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าปฏิบัติภาวนาไม่มีนิ้วอนเนะี่ยถือว่าไม่ถูกทางไอ้ที่เจอนิ้วอนถือว่ามาถูกทางแล้วเพราะนิ้วอนได้ได้ชื่ออีกอย่างนะึงคือว่าเสดามานนะ มารหมายถึงพญามีห้าเสนามารก็มีหแต่พญามารแต่ละคนก็จะมีเสนาคนหนึ่งเพราะเสนามารทั้งห้าทีนี้ในเสนามารทั้งหมารตัวที่หนึ่งอันที่เรียกว่า ก, กามชันท ะ, ะเสนามารตัวที่สองเรียกว่าพญาปาทะหรือพญาบาดมารตัวที่สเรียกวถีนามิธามารตัวที่4ีเรียกอุทะจักุกุจักมารตัวที่ห้าเรียกว่ า, า, าวิจิกิชาใช่ไหมทีนี้ในเวลาเราปฏิบัติเนี่ย แต่ละมารของแต่ละคนเนี่ยมาไม่เหมือนกันบางค น, นถี่นิมิทะมาก่อนง่วงเงาเฒานอนนะมาก่อนบางคนก็เป็นไงขี้เกียจมาก่อนรักสบายไหมเอ้ยมันนั่งอยู่ดีๆอยู่ที่บ้านสบายทําไมเรามาทุกมายากทาไมเนี่ยมายกมายกมือทําไมมาเดินไปเดินมาทําไมขี้เกียจไม่อยากทําเลยหมดกำลีกําลังอันนี้มารเสนามาร ต, ต, ต, ตัวตัวที่หนึ่งมา ตัวที่สองก็ทําไปแล้วก็งุนงิดนะเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวคันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไม่สบายอยู่บ้านสบายๆมาทําอะไรเนี่ยงุดงิดขึ้นมานะไม่ไม่สนุกรู้สึกไม่สนุกนี่คือเราพยายามปบัติติดอารมณ์ไม่ไม่พอใจนะมานตัวที่สามหรือ ว, ว่าง่วงเหงาเข้านอนนะนั่งยังไงก็จะหลับตาให้ได้หลับตาล้ตาแล้วหนักอ ย, ยูนะ่เรื่อยสลืมสะลือ ไม่ไม่โปร่งไม่โล่งนั่งที่ไหนก็นั่งไม่ได้นั่งแล้วไปหลับนี่ก็เสนามาตัวที่สามเจอไหมวันนี้เจอเยอะเลยนะบางคนเจอทั้งสามตัวเลยนะ <c ười> นิ่แสดงว่ม่บกักกรรมมีเยอะหน่อยเจอหลายตัวนะอ่ามันตัวที่สี่ฟุ้งนะฮะเอาเรื่องนี้มาคิดเอาเรื่องนี้มาติดเอาเรื่องนึงมาต่อฟุ้งไปฟุ้งมาบางคนเราก็ถามออมาเอ๊ะทำไมมันฟนุ้งเอ้าฟุ้งแล้วมันดีแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นกําลังถ้ามันไม่ฟุ้งดีมันจะลํำบาก เราไม่รู้ไปสู้กับใครขึ้นไปเวทีไม่มีคู่ต่อสู้ไม่ใช่นักมวยใช่ไหมอันนี้เรามีคู่ต่อสู้ตัวฟุ้งมันเป็นนักมันเป็นคู่ต่อสู้ของเรา<ม>เราก็จะได้รู้ว่าสติเราแข็งหรือไม่แข็งใช่ไหมถ้าสติเราเข้มแข็งล้วก็ถ้าสติเราอ่อนเราก็จะได้ฟิตให้สติเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ของเราก็คือนิวรณ์ทีนี้แหมหนึ่งต่อหนึ่งมันก็สู้ไหวใช่ไหม ถ้าหนึ่งต่อห้านี่ยุ่งเลยถูกลุมเลยนะนะวันนี้ไม่รู้ใครเจอหนึ่งต่อสองต่อสามวางไม่รู้นะถ้าหนึ่งต่อหนึ่งพอสู้กันไหวอ่าหมุดหินมันก็จะมาง่วงมันก็จะม า, มะมาฟุ้งมันก็จะมาขี้เกียจมันก็จะมาลังเลมันก็จะมาโหนึ่งต่อห้านี่เสร็จแน่ๆเลยมันถูกมันแต่ถ้าหากว่าเราเป็นนักมวยที่เก่งนะห้าหนึ่งต่อห้าก็ไหวอยู่ดังนั้นนี่วรทั้งห้า้ะเรียกว่าเสนามานแต่พญามันยังไม่ต้องถามถึงนะ ถ้าพูดถึงพยาบาลมาเลยก็ขนลุกเลยก็แล้วกันนะเอาแค่เส้นามานนะี่ก็จะลังเลแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกนี่วอลหินแรงทั้งห้าอย่างทําไมาจึงเรียกว่ากามฉันทะกามฉันทะคือตามความทุกคนอยากอยากทำตามใจทําตามความอยากแต่เมื่อไม่ได้อย่างใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากอยากทำไอ้ความไม่อยากอยากทำล้าเหนื่อยท้อถอยนี่ก็เป็นความขี้เกียจขึ้นมาภาวะตรงกันข้าม คือเมื่ออยากจะทํางนี้ไม่ได้ตามอยากไม่จะทําตามอยากก็ขี้เกียจที่จะทำแล้วขี้เกียจไปขึ้นมาเมื่อมันเกิดการไม่ได้อย่างใจแรงเข้าแรงเข้าตัวขี้เกียจกลายเป็นตัวมุนหิดนะตัวมุนหิดก็กลายเป็นตัวเว่อปล่อยธุระไม่เอาอะไรนอนหลับนั่งมั่หลับตาเล่นดีกว่าก็ไปสูง่วงมันจะพ่วงถึงกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสนามานแต่และตัวคือคู่ชก คู่ซ้อมของเราถ้ามันเกิดขึ้นมาให้ถ้าเราเป็นนักสู้เราดีใจเลยว่าเวันนี้มีคู่ซ้อมเราจะได้เก่งขึ้นว้างนะแต่ที่ไหนได้พอมันเกิดขึ้นเออวิ่งหนีลากเลยลากศาสตรไปทั่วเลยวันนี้ย้ายไปที่ไหนมันก็ไม่ไม่พ้นมันอ่ะมันไล่ตามติดๆเลยเหมือนกันมันก็ไล่เตะไล่จ่อยไล่ชกไล่ซ้อมแล้วก็หนีหัวซู่มหัวซุมเหมือนกันอันนี้ก็เราไม่ใช่นักสู้นะตั้งสู้อ่ะมึงูเอาตรงเนี้ยมว่ายังไงสู้กันไปสู้กันเดี๋ยวเราชนะชนะ เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเป็นนักสู้เนี่ยนะเพราะนั้นนิวรนก็แต่ละตัวคือเป็นอย่างนี้ครับครับนิวรนก็แปลว่าขวางกันง้นความเจริญทางด้านสติปัญญาภาวนาของเรานะครับแต่โยมที่มาที่นี่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หลวงพอ่อมันมาเท่าไหร่ก็ไปกลัวเพราะว่าถ้ามันมาใต้ต้นไม้ต้นนี้ย้ายต้นใหม่หลวงพอ่อมันลุมมาต้นนี้ก็ย้ายเป็นต้นใหม่ไปเรื่อยๆนะก็ พอย้ายก็หายจริงนะหายห่วงนะะย้ายก็หายง่วงแต่ก็ไปมื่ก็เริ่มง่วงใหม่เหมือนเดิมมันค่อยตามไปอีกทีนะครับบางคนย้ายไปย้ายมาย้ายขึ้นรถกลับบ้านเลยก็มี <c oughs> นิวรณ์นะครับทีนี้ะห <c oughs> ลังจากที่นิวรณแต่ละตัวผ่านก็ใช้เวลาประมาณสักแล้วแต่แล้วแต่คนสามวันสี่วันห้าวันแล้วแต่คน และอย่างหนึ่งก็คื อ, อนิวรณ์ก็แล้วแต่จิตทุกคนถ้าคนที่โทสะจิตหลีเป็นคนที่โมโหดูร้ายมันจะขึ้นมาก่อนนะถ้าคนไหนที่เคยอยู่บ้านนอนแต่กลางวันอย่างเงี้ยพอมาปฏิบัติก็ไม่พ้นอทีนี้มิทะง่วงมากพระอะไรเพราะมิบากกรรมเก่าที่เราเคยได้เวลาแล้วมันก็ได้เวลาได้ที่มันก็หาวที่ว่านะครับทีนี้พูดถึงมาน ก็อยากแค่มันเคลียร์เนาะพูดแต่เสนามานเลยมันก็ยังไงไม่รู้นะเพราะาบางทีไปเจอตัวใหญ่ๆเช่นพยามมาอย่าเนี้ยมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าบางทีถ้าย้อนถึงครั้งหนึ่งนะมารมารครั้งเียวพระเจ้าประชนอยู่ที่ใต้ต้นสีมาโพที่ตอนตรัสรู้นี่นะอีกตัวหนึ่งอีกอย่างหนึ่งทีนี้มารในใน ธรรมะมานห้าอีกอย่างหนึ่งแล้วมานตอนที่พระราธะไปถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วจะกินมานคืออะไรกันแน่พระเจ้าค่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะแต่พระราธะถามนี้พระพุทธเจ้ารู้สึกว่าจะตอบว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะธรรมารมเป็นมานนะครับฉะนั้นมานสามตัว ม, มันอันไหนที่เป็นแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ตัวไหนที่ะจญแล้วก็ ยากที่สุดที่จะในเอาชนะมนันนอเขากรับนี่หมดจริงว่าจะไม่พูดเรื่องพญามารแล้วนะมันน่ากลัวพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีแม่ธรณีมาขัดจังหวะก็ได้น่าคิดเหมือนกันว่าจะเอาชนะได้หรือเปล่างั่นแหละมารทั้งห้าหน้าตาเป็นยังไงพญามารอันที่หนึ่งชื่อมันก็ว่ากิเลสมานเคยได้นใช่ไหมอันที่สองก็ขันธมานอันที่สาม เทวปุตตมานอันที่สี่อภิสังขารมานอันที่ห้ามัดจูมานห้าตัวเนี่ยทีนี้แต่ละตัวเขาก็มีลูกน้องละห้าคนที่ว่ามาแล้วนะอ่าที่เป็นกิเลสมานก็เอาการมาจัตถามาเป็นลูกน้องนะขันธมานเอาใครมาเป็นลูกน้องพยาปาทามาเป็นลูกน้องเทวปุตตมานเอาอัน ผีนามิทะมันเป็นลูกน้องอภิสังขารละมานอุทัจจมาเป็นลูกน้อ ง, อ ง, ม, อจจ ม, องมัจจุมานก็เอาวิจิกิชามาเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นรวมแล้วทั้งทั้งดวพระยาทั้งลูกน้องก็สิบพวกนั้น <c oughs> ที่ลบกับผุ้ที่ย่าเนี่ยมานสิบพราะนี้ไอ้คาว่ามานเนี่ยลองเขียนดูดิมอมา้าสละอารอเรือใช่ไหมทีนี้ถ้ามอมา้าเอาสละอาออกเหลือแต่มอมะแล้วเรือเรืออ่านว่าไง อ่านว่ามาระรใช่ไหมแล้วเราเติมนอเนนข้างหลังอ่านว่าแปลว่าอะไรตายเออความจริงนเนี่ยมานเนี่ยมาจะเข้ามารธาติแปลว่าล่วงแปลว่ารับแปลว่าตายแต่มันลงเป็นมรธาติแต่ลงณปัจจัยแต่ถ้าไปเขียนเป็นมานมันลงอาปัจจัยทันทีค้าข้างหลังมองมาเป็นอ่ากลายเป็นมานแต่พอไปลงมานาปัจจัยไม่มีสาราเหลือนา กลาเป็นมาระหรือมรณะอันเดียวกันมิทถีอันเดียวกันบรรนังบรรนานั่นนะบอกไปว่าตายคำว่ามารนี่นะอะไรก็ได้ทําให้คุณงามความดีความสุขความสบายตายไปจากตัวเราอะ่ะอันนั้นแหะเรียกว่ามารไม่ใช่เป็นตัวตนเลยหรอกแต่ว่ามันมีสองภาษาเขาเรียกว่าสมมุติภาษาต้องสมมติถันมาเป็นตัวเป็นตนตมันถึงจะสื่อความหมายกันได้แต่ใ น, นแง่ของภาวะประมาจิตแล้วก็คือตัวเป็นสภาวะจิต อะไรก็ตามที่มันมาขัดขวางต่อคุณงามความดีมาขัดขวางต่อความเจริญก้าวหน้าขัดขวางต่อความสุขความก้าวหน้าของเราทั้งหมดอะเขาเรียกว่ามานนะนั้นตอนที่ตอนนั้นพุทธเจ้าไปจนมานท่านแต่สูรูแล้วยังยังฮะแน่ใจหรือปเปล่าอ้าวยังไม่ได้แต่สรูท่านเอาอำนาจพลังอำนาจที่ไหนมาสู้มารดะเออตอบให้ดีนะอย่างนี้มิ น, น, นิสอบตกได้นะเรียน<ฆ>พุทธประวัติมาหลายคนนะพงหาตัวช่วย พระก็สอบตกเป็นเหมือนกันนะเอาให้แน่คุณหมอเทียนตอนพี่พุทธเจ้าประจนมาท่านบรรลุธรรมหรือยังไม่ได้บรรลุควรยังไม่บรรลุอ่ะตอไม่ดีนะเป็นประธานสมาคมโพธิธรรมนี้นะถ้าตอไม่ไม่ตรงตรงนี้ไมาจะไมบรรลุจเียพุทธเจ้าได้อย่างไรอ่านั่นสิเราบอกพุทธเจ้าปรจนมาน่ใช่ไหมเรียกพุทธเจ้าได้อย่งไนานนานเห็นไหมเห็นไหมนั่น เ, เออได้บรรลุฟุติเชี่แล้วถึงประชวมานได้ใช่ไหม เ, <ล>เออฟุติเชี่มีมานด้วยเหรอ <c oughs> มีนะ<ม>อ้อาวขณะพุติเชี่มรณะกันมานมาอารัตนาใช่ไหมท่านรับอารัตนามานานาะทึงๆมานอารัตนามาอารันาแสดงมานไม่ได้ตายเออนั่น่ตอบให้ดีนะประธานสมาคม เออตอบหม่ดีทีเียดเอาเองนะครับเพราะว่าโอ้ไม่ได้นะถึงเป็นถึงประธานสมาคมคิดเองไม่ได้ต้องมีหลักฐานพอสมควรก็ก็พระมารู้ไงว่าพระพุทอง์ท่านจะจะรู้นะครับต้องส่งมารมจน์ส่งงานมาะจน์นะเพราะว่าถ้าว่าบรร้แล้วก็มารมาพจน์ก็คงไม่ได้นีถ้ายังถ้าถ้าไม่งั้นมาจะมาทำไม ถ้าบรรลุไปแล้วมารมาก็ไม่มีประโยชน์แล uh> ้วสงสัยมารไม่เข้าใจว่าพุทธเจ้าบรรลุหร uh ือไม่บรรลุมาว่านะสงสัยมารมันไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าคงไม่รู้ว่ามารพระพุทธเจ้าคงจะซ่อนเคล็ดไว้ไม่ให atte ้มารรู้นะตรงนี้ขอฝากไปศึกษานะเป็นการบ้างอ่าตอบว่ามารนี่ต้องเป็นสิ่งขีดขวางอ่ะเราต้องไม่ตัดมารต้องต้องถ้างั้นพระพุทธเจ้าต้องตัดสิไม่มีสิ่งมาต่อสู้กัน ก็เอเราต้องต่อสู้อ่ะต้องถา่านอ่ะ<ต>มาที่มีมารพูดเจ้าเจ้าจะตัดฉรุได้งไง น, นั่นเนี่ยแล้วตอบ ว, ว่าไม่ไม่ตอบว่าตอบว่ามารมาผจญพระพุทธเจ้าตัดรู้แล้วหรือยังยังยังยังไม่ตัดฉลุอะ่ะ<ด>เออสักสายหลายเสียงนะยายสุวรรณนาว่าไงเ <laughs> จ้าเสียงเดียวนะตอนนี้ถ้าหลายเสียงว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดฉลุมารมาก่อนนี่นะอันนี้คือประเด็นเอาละอันนี้มาจะเล่าอะไรให้ฟังอ่า คืออย่างนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แม่น้ำนิเดนชาลาเพราะว่านางาสุชาดาใช่ไหมเอาเข้ามาทูปายาสมาถวายแล้วถวายทั้งถาดทองคํถาถอดทองคําด้วยท่านก็เลยเอาถาดทองคำนี้ไปลอยไปลอยน้ำํำพอรลรอยเสียจท่านก็อธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานว่าถ้าพราพุเจ้าจะตัดกิเลสได้ใครกิเลสขาดปัดอาสวะหลุดเนี่ยขอให้ ถาดใบนี้ลอยทวนกระแสขึ้นไปถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถตัดกิเลสได้ใครกิเลสขาดปัดอสวะหลุดขอให้ถาดใบนี้ลอยตามกระแสไปแล้วก็วางไปปุ๊บป ร, กรากฏว่าเป็นยังไงะถาดก็ทวนนะจือ๊อขึ้นไปอยู่เหนือน้ําไปวนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จมปิ้งไปถูกหัวใครไปถูกหัวกาลนาพูดงั้นโอ้แต่งได้ดีนะ <c oughs> ถูกหัวกาลนา <c oughs> ท่านก็เลยมั่นใจใช่ไหมพอมั่นใจ ก็เดินกลับมาที่ต้นสีมหาโพธิ์แต่ยังไม่ทันถึงที่ต้นสีมหาโพธิ์มาเจอใครซะก่อนเจอพรามคนหนึ่งชื่อว่าโสติยพรามใช่ไหมโสตยพรามนี่ก็เห็นพระเจ้าไม่ใช่เห็นพระเจ้าเห็นสมณะเดินผ่านมานึกอะไรไม่ทันก็เลยตัวเองไปเกี่ยวยาเนก็เลยเอายาถวายท่านแปดกำมื อ, อท่านก็รับยาาเอายาเนีมาทำอะไรมาปูราดที่อาสนบัลลังก์ใต้ต้นโพ หลังจากที่ท่านปูละท่านก็อธิษฐานจิตใช่ไหมว่าแม้เลือดเนื้อเหงื่อเอ็นข้าพเจ้าจะฉีกขาดก็ตามแม้ร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปก็ตามท่านไม่ได้บรรลุโพธิญาณข้าพเจ้าจะไม่ลุกขึ้นจากอันสนานี้อธิษฐานเสร็จแล้วก็นั่งลงไปทีนี้พอจะจำได้ไหมว่ามานมาพบจนผู้ดิจเจ้าตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นใครจาได้มัง้ง ตอนนี้เรียกว่าในตำราไม่ได้เราบูเยนึกไม่ออกเหมือนกันใช่ไหมถามประธานสมาคมก่อนมาตอนไหนนะอ่านไม่เจอใช่ไหมอ่านไม่เจอนะตรงนี้นะดูให้ดีพอมานั่งอธิษฐานเสร็จท่านก็เริ่มตั้งความเพียรนว่าตามปกติคนเราเนี่ยต้องมีความมั่นใจอะไรบางอย่างใช่ไหมถึงกล้าอธิษฐานเอาชีวิตเป็นประกันขนนั้นนะ ความมั่นใจอันแรกคืออะไรไปลอยถาดแล้วอธิษฐานใช่ไหมถาดมันเป็นไง oh. เ อ, อ้ามันทวนกระแสมั่นใจอันที่หนึ่งเลยใช่ไหมอ่าสองพอมากลางทางปรากฏว่าพรามณ์นั่นถวายหญ้าหญ้าเป็นย้าคาด้วยนะไม่เอายาอื่นนะแล้วก็แปดกำมือด้วยนะไม่ใช่เก้ากำมือหรือหกกำมือนะทําไมต้องแปดกำมือนี่ความมั่นใจอันที่สองว่าออ ทางที่จะรู้เนี่ยมันจะต้องหมายถึงตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นปิศณาธรรมว่าคนที่จะบรรลุความสําเร็จได้เนี่ยต้องมีธาตุแท้คือธาตุทองคำนะต้องมีธาตุแท้อยู่ในใจที่หลวงพ่เทียนใช้คําว่าคนจริงรู้ของจริงอ่าถ้าคนไม่จริงเนี่ยทำไปนะเล่นเย่อห ย, ย่ารู้ยากแต่คนจริงจะเจอของจริง ดังนั้นในสภาวะที่เป็นโพธิเนี่เป็นของจริงแต่ถ้าเราทําเล่นๆ เ, เนี่ยไม่ตั้งใจจริงจังเนี่ยก็เจอยากนะดังนั้นพุทธเจ้าเจอมีธาตุแท้อยู่ในใจคือธาตุแห่งความตั้งใจนะคืออธิษฐานนั่นเองอันนี้ตีเป็นปิิศนานะทําไมคนที่มีธาตุแท้อยู่ในใจเป็นคนที่ไม่กลัวตายนะไม่กลัวตายหมายความว่าทนทนกระแสใจตัวเองได้ไม่ทําตามใจ คนที่มีท่าแท้อยู่ในใจหลักก็คือไม่ทำตามใจตัวเองอะไรที่จะเป็นไปทาใจในทางไม่ถูกไม่ทำสามารถที่หักดิบได้นะอันนี้สัญลักษณ์นะนั้นเจ้าชายเสถามีหลักอันนี้ก็คือมันอยากกินไม่ถึงเวลาไม่กินมันอยากลุกไม่ถึงเวลาไม่ลุกนะมันอยากดื่มไม่ถึงเวลาไม่ดื่มอันนี้เขาเรียกว่าสามารถทนกระแสแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเออฉันจะ ไม่กินเลยทั้งวันอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ใช่นั่นคําว่าทนกระแสคือในเป็นความต้องการของกิเลสจะไม่ทําตามมันแต่อันไหนที่เป็นความต้องการของร่างกายและธรรมชาตินี้ท่านถึงตอบสนองการตอบสนองต่อความร่างความต้องการของร่างกายนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสแต่การตอบสนองต่อความต้องการของจิตในทางที่ผิดกาละเทศะและผิดธรรมเนี่ยอันนั้นเป็นกิเลสท่านจะไม่ตอบสนองตัวนี้คือการทนกระแสที่วางทานไปปั๊บ ก็โทนกระแสขึ้นไปนะทีนี้โสติยะพามชื่อก็บอกว่าโสตีโสตีแปลว่าอะไรพระวันโสตีตสพระวันจูเดยสัทยาโสตีพระวันจูเดยขอความสวัสดีทั้งหลายโสตีที่เอามาใช้ภาษาไทยแล้วว่าสวัสดีอ่ามาจากคำว่าโสติด้วความสวัสดีค ว, สวสดความปลอดภัยทุกคนที่จะมีความปลอดภัยในชีวิตได้ต้องมียาคาแปะกับมือ ทำไมต้องเอายาคาไม่พูดถึงญ่าอื่นเลยนะเพราะยาคามีคุณสมบัติห้าอย่างญาคาตามภาษาบาลีชื่อว่ากุษายากุษาแต่พอเอามาใช้ในท่านก็ยืมเอาคำว่ากุษาเนะี่ยมาใช้ในบาลีว่ากุอะไรกุศนอาคําว่ากุศนแปลว่าแหลมแปลว่าคมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของยาคานี่มีห้าอย่าง พอจะนึกออกว่าหนึ่งยาคาลักษณะยังไงเอารากมันจะก่อนรากยาคาเป็นไงมันทู่หรือมันแหลมพวกเราคงอยู่ที่นี่คงไม่เคยเห็นย่าคาเลยนะเพราะที่อเมริกาไม่มียาขาหนึ่งรากยาคามันแหลมสองรากยาคามันสกร ป, ปรกหรือสะอาดดึงขึ้นจากดินปั๊มเลยที่ไม่ต้องล้างสะอาดหรือขาวโจะเลยนะสองรากมันสะอาดสามรากยาคาเนี่ยมันลึกหรือมันตื้น มันลึกโอ้โหไทเท่าไหร่มันไม่ยอมตายเขาเท่าไหร่ไม่ยอมตายเพราะหลักมันลึกมากซียากคาตายยากหรือตายง่ายตายยากขนาดเอายาลาดแล้วมันยังไม่ตายเลยอเผากขั้งๆก็ไม่ตายอ่าต้องเอาอะไรไปกลุ่มาให้มันงอกมันถึงจะตายแล้วฮะเวลาคนจะมุงหลังคาเนี่ยเขาเอายาอะไระจะเจ้าสรรคศีมามุงก็เรียกว่าหลังอะไร ไม่เรียกว่าหลังสังกสีนะเรียกว่าหลังคาเหมือนเดิมเ <c oughs> จ้ากระเบื้องมามุงก็เรียกว่าหลังคาเหมือนเดิมเนี่ยมันเด้นะเว่าหลังกระเบื้องนะ <c oughs> เห็นไหมอันนี้ความสังสิ์ของยาคาเนะี่ยเพราะฉะนั้นย่าคามีคุณสมบัตหิหอย่างฉันใดก็ดี <c oughs> คนที่มีกุศลเนี่ยจะมีคุณสมบัติในจิตห้าอย่างฟังให้ดีนะคนที่มีกุศลใจิตเป็นคนจริงเนี่ยมีคุณสมบัติห้าอย่างหนึ่งราชคาลักษณะที่หนึ่งคืออะไรแหลมคมใช่ไหม หนึ่งเป็นคนมีปัญญาแหลมคมสองรักยะคาสกปรุสะอาสะร า, าคนที่มีกุศลนย่งใจเป็นคนจิตที่สะอาชอบความจริงสามคนที่มีกุศลจะเป็นคนที่ตื้นหรือลึกลึกหากินไกลนะหากินไกลเป็นคนที่ละเอียดตอนนี้ลึกซึ้งสี่ คนที่มีกูศ่น่ะเป็นคนอ่อนแอหรือคนขยันหรือคนเข้มแข็งหรือคนอดทนเป็นคนอดทนใช่ไมถ้าคนที่มีกูศ่นในจิตมักจะปารบการตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอเหมือนหลังขาเพราะฉะนั้นจึงไม่เอายญ้าอื่นเอายญ้าคาเพราะชอบที่จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัววพราะ ง, งั้นเถอะอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นฉันทําได้แต่ถ้าอะไรมันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองบางทีจะไม่ ท, มทําเพราะถือว่าเป็นการบางทีเห็นแก่ตัว เพราะ น, นั้นญาคาจึงมีคุณสุบัติ5อย่างท่านจึงยืมศัพท์คาว่ากุศาเนี่ยมาเป็นชื่อคาว่ากุศลเห็นไหมนี่คือประวัติศาสตร์ของมันนะสั้นๆเสร็จแล้วแปดกมือที่เนี้ยแปดกมือก็หมายเขาว่าในญาคาคนที่มีกุศลแล้วเนี่ยจะมีลักษณะที่ว่ารู้มักแปดได้คือตั้งแต่สมาธิ สมา ส, ena, สังกปะขึ้นไปถึงสมาสติสมาสมาธิใช่ไหมเมื่อมาถึงบรรลังแล้วโอ้โหเรื่องมารไม่เหลืจะลบกันทั้งทีเนี่ยยังไม่ลบกันมารกับพุทธิย่ายังไม่ลงมือลบกันเลยฝันนี้เยอะเยอะเลยเกินหนังมันนี้่ทีนี้พอพอมาถึงนั่งอธิษฐานจิตใช่ไมอธิฐานจิตว่าแม้เลือดเนื้อเงือเอ็นใจเงือแท่งไปก็ตามกระดูกก็เดี่ยวจะแตกหักก็ตามถ้าได้ไม่ได้บรรลุโพธิญาณข้าพเจ้าจะไม่ลูกจากที่นี่เด็ดขาดนะะ โอ้โหขออธิษฐานนี่กระเทือนถึงนุ่นบาลังมานเลยมานกระเทือนเลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่อธิษฐานแบบ น, นี้มันไม่กระเทือนถึงมานนะที่มานรู้แล้วพุทธเจ้าจะรู้อทีนี้ก็มัวแต่ไปยกกองทับอยู่อ่ะคลีทาทัพแต่พระพุทธเจ้าบรรู้ทํามก็เรียบร้อยแล้วก็ยกทับยกมาทุทัามาช้าไปกวัวจะยกทับมาพุทธเจ้าจสรู้เใ็จแล้ว อยกทำมาในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าใช่ไหมแต่พระพุทิเจ้าแต่รุ้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตีสามตีสามถึงหกโมงเช้ามรรลุทําแต่มานมาเช้าไปมาถึงตอนเช้าพระุทธเจ้าก็สบายมากเลยทีเนี้นะฮะเจ้าสบายก็เข้ามาก็สู้กันลนะทีนี้โอ้มาทักนละ้ท่านเพราะว่าในช่วงที่พระพุทธเจ้าอุทานว่าเราเป็นผู้รู้แล้วเราเป็น เป็นไก่ตัวแรกของโลกที่เจาะอวิชาออกมาได้ท่านอุทานออกมานะเราเป็นพี่ของโลกเราเป็นไก่ตัวแรกของโลกที่ออกมาจากกระปาะไขได้อาหารโลกกสมิเสโหเราเป็นพี่ของโลกพอประกาศอย่างนี้แหละไปกระเทือนถึงบาลังมารมายกทัพมาเลยแต่มาช้าไปมาช้าไปแก่สองสามชั่วโมงแค่นั้นเองนะพอมาพราะมารได้ยินคําประกาศอันนี้มาก็ยกทัพมามาถึงมาชี้หน้าเลย ถ้าท่านประกาศไปว่าท่านเป็นอ่าผู้เข้าถึงธรรมเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้ออกจากอวิชชาได้ท่านพูดเอาเองนี่จที่นี้ไม่มีใครเลยไม่มีใครเป็นพยานของท่านเลยอ่าท่านพูดท่านไม่มีใครเป็นพยานก็จริงใช่ไหมอะไรพระพุทธเจ้าจะอ้างใครชี้มือลงไหนชี้มือลงที่แผ่นดินธรณีพอชี้ลงตรงนั้นเป็นไ ง, ง, งแม่ธรณีก็ฝุดไม่ใช่ธรณีสูอ <laughs> พูพทีธรณีสูบเลยเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยนะ <c oughs> พอชี้ลงไปแม่ธรณีก็ผุดขึ้นมานีผุดขึ้นมาแล้วก็ผุดขึ้นมายังไม่ทันผุดเต็มที่มานก็ใส่พุทธเจ้าก่อนเลยพอเห็นพอเห็นว่ามานไม่พอแม่ธรณีเห็นมานไม่เกรงใจพุทธเจ้าเลยความจริงตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะบีบมวยผมหรอกนะอาจจะผุดขึ้นมาเป็นพยานเฉย พอเห็นผู้ดีพอเห็นมารใส่พระุทธเจ้าก่อนยิงปึงปังปึงปังแต่ว่าพวกลูกศรลูกดอกทั้งหลายก็มาตบพระพุทธเจ้ากลายเป็นดอกไม้หมดใช่ไหมแม่ธรณีเห็นว่าออกมานี่เอาพระุทธเจ้าจริงก็เลยลูดผมเลยนะน้ําก็ไหลออกมาเหมือนกับน้ําที่ท่วมเมืองไทยเดี๋ยวนี้นะฮะบุมบมบึ ม, บ ม, บมไม่กี่นาทีเนะี่ยท่วมพวมหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งฝรั่งถามพระเตมาว่า ตามที่ฉันอา่านคมภีผู้เดิศาสนาว่าผู้ทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเพราะอ่าได้พะจนมารไปสู้มานไม่ได้แต่ว่ามีแม่ธรณีมาช่วยใช่ไหมเออบอกว่าผู้ทธเจ้าของอยู่นี่ไม่ได้วิเศษอะไรเลยถ้าไม่มีแม่ธรณีมาช่วยนะไม่มีทางอยู่จะมีศาสะดาเท่านั้นนะโอ้โหมาเจอลูกเนี่มาก็หนอ้๊บเลยเหมือนกันแต่ว่ามาแก้ยังไงขอผ่านไปก่อนยังไม่เฉลยเนะี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ลบกัน <c oughs> หลังจากนั้นพอแม่ธรณีลูด บีมวยผมปับปรากฏว่าน้ำท่วมทับมานตายหมดทีนี้นี่คือตัวที่เป็นสมมุติธรรมในแง่ของปริมัติธรรมเป็นอย่างไรอาจารย์อภัยต้องแก้แล้วพ่อน่าจะพูดได้จบไปเลยนะจะจบจบซะที <laughs> ก<ะ>ับ <c oughs> ก็ จำได้อยู่ว่าท่านให้พูดถึงประวัติธรรมในส่วนที่เป็นแม่ธรณีนั้นคือใครอย่างไรนะทีนี้ผมชวนคิดเรื่องหนึ่งว่าเรื่องยาขานิดหนึ่งทุกวันนี้คนไทยเราก็เอายาขามาประพรมน้ําพุทธมนต์นะนะถือว่าเป็นน้ําทําให้คนโสดิโชคดีนีก็เอามาทําเป็นกรรมแล้วก็ประพรมน้ําพุทธมนต์เอายาขาแต่ทุกวันนี้ก็มีตอบมีอะไรเสริมไปอีกว่ายาขามันผุหายาก แล้วก็ครั้งหนึ่งพระเจ้าก็ส่งสุบินนะก่อนที่จะตรัสรู้ก็สรงสบินว่าอยากอ่าในสุบินทั้งหลายเนะี่ยมีสบินข้อหนึ่งที่บอกว่ า, วามีหญ้าขาผุดขึ้นกลางสะดือพระองค์ผุดขึ้นมาเลยนะผุดขึ้นไปกลางสะดือสูงขึ้นไปเฉียดฟ้าเลยเนะี่ยอันนี้ก็ทีนี้หลายคนไม่รู้จากยญ้าขามันคืออะไรตรงนี้ยนะไปเที่ยวประเทศไทยได้จะบอก อาตมานีอยู่กับยาคามาเงแต่เล็กแต่ๆๆๆๆน้อยท <c oughs> ีนี้หล <c oughs> พ่อท่านถามว่าแม่ธรณีนั้นคือใครนะะทำไมต้องพึ่งแม่ธรณีที่จริงแล้วนี่ก็ฉกคิดอีกเรื่องหนึ่งว่าคนเราจะปฏิบัติทำได้เนี่ยโยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ตาม เ, เราเคยหลายคนเคยบ่นว่าบารมีไม่พอ ไม่มีบารมีพอที่จะมาปฏิบัติธรรมหรอกหรือปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจทําอะไรไม่ได้เพราะบารมีไม่พอส่วนมากเราจะอ้างบารมีกันเราจะสั่งสมไปอีกกี่พบกี่ชาติบารมีเราถึงจะพอเราทําให้พอไม่ได้เนะี่ยเรารู้ไหมว่าเราสั่งสมมามากน้อยแค่ไหนแล้วจึงจะพอบารมีนะส่วนมากก็ไปโทษไปอย่า ง, งานั้นฉะนั้นแม่ธรณีนี้ก็ถ้าเป็นอุปมาอุปฐานธรรมอขอไปเป็นบรรธรรมอีกข้อหนึงก็คือ เป็นหนึ่งในบา ร, รมีที่พระองค์จะต้องทุกคนจะต้องมีนะในเช่นเอายกตัวอย่างโยมนั่งอยู่อย่างเงี้ยยกเก้าอี้เป็นนั่งใต้ต้นไม้ต้นนี้ปุ๊บคำนวณดูก่อนนะถ้าพระอาทิตย์มาหยุดตัวนึงตัวนี้นลมก็จะไม่ไปไหนอย่างเงี้ยนะถ้าจะไปก็อาจจะขยับไปนิดหนึ่งได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติยกมือสร้างใจว่าถ้าเดินก็จะเดินเพียงแค่สิบเก้าสิบเอ็ดเก้าแต่บางคนเดินสุสุดร่อง ส่งเลยอย่างเงี้ยก่อนอาตาารอจะถ่ายรูปในเมื่อไรจะหันหน้ามาสักทีหันหลังแวบหายแวบไปเลยก็มนนีนั่นก็เรียกว่าไม่ได้เดินตามธรรมนะเขาเรียกว่าเดินตามมัน <c oughs> ทีนี้ในส่วนที่เป็นขันติบาลมีเนี่ยนะทุกคนพออธิษฐานพับอธิษฐานก่อนนะข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติวันนี้อยู่ในเต็นท์สองชั่วโมงจะตั้งใจหรือจะนั่งอยู่ตรงนี้นะจะไม่ลุก ไปไหนจะนั่งให้มันครบสิบสี่ท่าหลายคนนั่งไม่ถึงสองท่าเดียวซ้ำไปอาจจะภาพเพียบซ้ายพเพียบขวาคน ล, ลึกหนีเลยที่จริงวิธีปฏิบททัติของเราเนี่ยถึงสิบสี่ท่านะนั่งจริงจริงเนี่ยนะนั่งสิบสี่ท่านั่งแล้วก็กลับมาอีกรอบสองก็ยี่สิบสี่ท่ามันก็ยังไม่เกลียดไม่ปวดนะเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนเรียบบุตรเวลานะดังนั้นถ้าเราปฏิฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมาแล้วตอนนี้นะโอ้ ที่บ้านรู้สึกว่ายัางไม่สะอาดมาั้งนะหรือบางครั้งมีปริพเทรแรงต่างมันเกิดขึ้นนะนะสิ่งที่เราลืมไปแล้วก็มีมันผุดขึ้นมาเพราะใจมันไปโค้นคว้าใจมันไปข่อยควาหาตรงนั้นตรงนี้นะในแกออตธารมเบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนทอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยได้อารมณ์เพราะอะไรนะมันจะขยันเป็นพิเศษนะ หลังจากขี้เกียจขี้เกียจพอยกมือสร้างเกี่ยวว่าไปหน่อยก็มองเห็นนั้นก็น่าจะจัดมองเห็นแล้วนี้ก็น่าจะทําขยานันเป็นพิเศษนะแต่พอไม่ทําแล้วก็พอไม่ปฏิบัติทํามไม่ทานะแต่พอตั้งใจว่าปฏิบัติทําแล้วก็บ้านสะอาดทันทีเลยนะั่นเป็นไงนะีฉะนั้นพอพระแม่ทรณีตรงนี้ก็หมายถึงหลวงพ่อท่านบอกบีบมวยผมก็อาตมาก็เอายืมคําหลวงพ่อมาพูดนะนะเพราะนั้นเคยอธิบายไปหลายครั้งจดจําได้ <laughs> ไมันไมคําใหม่อะไรหรอกนะก็คือ นอกจากมีพระแม่พระแม่ธรณีหมายถึงสัญลักษณ์ของความอดทนขันติให้มีความหนักแน่นเหมือนพระแม่ธรณีอใครจะขี่ใครจะเลี้ยวใครจะทําอะไรใส่ก็แล้วแต่แม่ธรณีไม่เคยบน่นจนมีคําที่คนแก่โบราณเขาจะสอนคู่บ่าวสาววันแต่งงานให้เจ้าอดทนคือแม่ธรณีไผสีขี่สิผู้ไผสิขี่สิคนใคจะให้ทนเอาคู่บ่าวสาวหมายถึงว่าผู้หญิงจะไปอยู่บ้าน ของสามีเนี่ยให้อดทนเหมือนแม่ธรณีบางคาั้งถูกคนนั้นกับพ่อตาแม่ยายหรื อ, อเขาเรียกว่ายาใช่ไหมหรือพี่น้องอะไรต่างจะดูถูกเหลียดยามาแล้วแล้วแต่ให้เธออดทนเหมือนแม่ธรณีเขาจะสอนอคนที่จะไปสู่ตระกูลอื่นอย่างงี้ฉะนั้นพระเจ้าเขเช่นเดียวกันหลังจากที่พระองค์อธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าจะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นที่บันลางตรงเนี้ แม่เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามจะไม่ลูกจากที่ตรงนี้กระดูกจะแตกเป็นเสี่ยงก็ตามนั่นปั๊บแล้วเนี่ยเนี่ยก็มาเลยนะถ้าถ้าเป็นนักธรรมาก็อาจจะคิดว่าโอ้ยนึกถึงบิดาก่อน อ, อพ่อเราสุดสุดโทธนะตอนนี้ก็แก่แล้วใครจะดูแลอ้าใช่ไหมโ อ, อ้แล้วก็นึกถึงอ่าสลีมหาม า, ายาเป็พิมพาพระเพิีศษของเราตอนนี้ก็ทิ้งไว้เป็นไม้ตั้งนาน ผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะอินเดียถ้าทิ้งเป็นไม่แล้วก็เขาบอกว่าเป็นการลักิีนีเลยนะเนี่ยถูกสังคมเหยียดหยามอะไรต่างๆ น, นี้เป็นอ่ า, เ, าเรียกว่าเป็นกษัตริย์เชื้อกษัตริย์นี่อาจจะไม่รู้เขา จ, จะวาด ย, ยังไงแล้วก็ลึก น, นึกถึงรางหุ่นตนเองลูกชายาตอนนี้คงจะหกขวบแล้วตอนนี้ออกมาจากบ้านจากเมืองคงจะกำลังจะ น, น่ารักน่าชังจะเป็นยังไงใครจะให้ศึกษาเราเรียนที่ไหนจะเข้าโรงเรียนอะไรต่างๆ ก็คงจะพะวงบ้างน ะ, ะมีปริพเทศบ้างทีนี้จะโย่ตัวแล้วนะจะโย่ตัวแล้วจนมีปางหนึ่งปางสะดุ้งมาเนะนี่ยจนลุกดีไหมอย่างนี้นะกลับบ้านดีไหมหรือเปล่านะคือหลังจากมือทําสมาธิจนมือออกมาอยู่ที่หัวเขา่าล่นได้โอ้ไม่ได้อรออธิฐานอะไรไว้หล้งางใจอธิฐานแล้วต้องทําให้เป็นจริงตามอธิฐานเรียกว่าสัจจทาให้ได้แล้วมันมีสัจจ นะถ้าไอ้ฐาเนเฉยเนี่ยทำไม่เป็นตามยิงก็ไม่มีสัจจ์พูดอะไรไว้ไม่ทําตามเลยอย่างนี้ก็มีฉะนั้นรพระเจ้าก็พระแม่ธรณีนี่ก็หมายถึงว่าความอดทนมันเจ็บมันปวดมันรอ้อนมันหนาวฉันเข้าข้างเดียวใช่ไหมตอนที่หลังจากอนั้นก็สารพัดต่างๆที่ความคิดมันฟุ้งขึ้นมาทีนี้หลังจากอดทนแล้วเนี่ยบางคนที่อดทนเนี่ยขันตีกลายเป็นขันแตกก็มีเพราะอดทนไม่มีปัญญาก็ใช้ไม่ได้ ป, ปัญญาตัวนี้พระแม่ธรณีทําไมต้องบีบ ม, มวยผมก็หมายถึงว่าถ้าอดทนไม่มีปัญญาเนี่ยตายทิ้งเฉยๆฉะนั้นพระกรรมฐานที่ประเทศไทยไปตายตามถ้ำตามเหวเนี่ยเยอะเพราะอะไรเพราะอธิษฐานข้าพเจ้าจะเดินทุดงมีหลายองค์นะข้าเจ้าจะเดินทุ ด, ดงค์จะถือวัดธุ ด, ดงอย่างเดียวไปเจอไข้ามาเรียนในป่าในถ้ำในเหวตายกันโดยที่ด้วยทรัว เสียสัจจะถ้าจะออกมารักษาอะไรต่างๆที่นี้ก็ตายไปก็มีแต่ว่าผู้เจ้าก็หลังจากที่พ่อแม่ทรีมาช่วยก็บีบมวยผมเลยนะจนเป็นสัญลักษณ์ของพักกันเมืองหนึ่งบ้านเรานี่นะบีบมวยผมหลังนำออกมาท่วมท้ำมันก็หมายถึงว่าไอ้คนเราเนี่ยปัญญาไปอยู่ที่ไหนหปัญญาอยู่ที่หัวใช่ไหมนะปัญญาจะเป็น พราะวันนี้ง่วงมากเป็นรีบผมตัวเองไม่ได้นะมันนั่งรีบศีรษะรีบผมตัวเองไม่ได้ก็อาจจะบีบศีรษะบีบขมับบ้างให้มันตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นได้แล้วเขาบอกได้อยู่ทีนี้รีบมือผมหมายถึงว่าเราต้องใช้โยนิโสนัสิการใช้ปัญญาด้วยนะใช้ปัญญาในการเอาชนะอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่เราปฏิบัติอยู่ตรงนั้นอ่ะเอ้ยมันยกมืออย่างนี้มันถ้าเรายกอย่างนี้มันเพิน ทำยังไงกลับเป็นมือซ้ายบ้างนะกลัเป็นมือซ้ายยกมืนอนั่งมานานไปมันงุนหยิดฟุ้งสั้นนะก็มองไปไกลหน่อยแล้วก็หลายจากที่หลายตัวทมันหายแล้วก็ตั้งใจใหม่นะตั้งใหม่แต่จะปล่อยไปตามใจนะตั้งใจคือฉลาดในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นสัพพยะเพื่อต่อการปฏิบัตินะในการทํำยังไงมันจะให้มันพอดีพองามช น, นั่งไม่ใช่ว่านั่งท่าเดียวจน ขาแข็งขาย่างก็เปลี่ยนท่าตามศักยภาพของเราทนได้แต่เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนด้วยปัญญากับเปลี่ยนด้วยตัณหาบางคนเปลี่ยนด้วยตัณหาก็จะลุกก็ลุกจะนั่งก็นั่งจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยโดยที่ไม่กําหนดมันก็หลุดก็ขาดแทนที่มันจะเป็นลูกโซ่กลายเป็นโซ่ขาดไปซะนะฉะนั้นเปลี่ยนให้เป็นอริยบทแต่ละอย่างให้พยายามรู้สึกตัวซะก่อนเราจะเปลี่ยนนะรู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนในทีก็รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนฉะนั้นเปลี่ยนด้วยปัญญา นะจั้นั้นไม่ไม่เกินบ่าฝาแรงเราหรอกที่เราจะเข้าใจได้รู้ได้เหมือนถ้าเป็นราชาศัพท์เขาเรียกว่าตัดสรู้ถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่ารู้เฉยเฉยเนี่ยคำเดียวกันนะถ้าเป็นราชาศัพบเขาเรียกว่าตัดสรู้อย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวของเราจะรู้อะไรพระ อ, องค์ทรงตัดสรู้แล้วก็ได้เพราะเป็นคำราชาศัพท์ก็รู้ตัวเดียว น, นั่นแหละนะแต่ว่าถ้า มันรู้สึกว่าเป็นคําที่อลังการได้เกินใช่ไหมรู้อะไรก็รู้ธรรมะที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น น, น, นะรู้อะไรแล้วก็ค่อยคุยอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าปล่อยให้รู้ก่อนมันจะไปคิดเอาเองอีกว่าเขาเปเจ้ารู้แล้วรู้ยังไง ร, รู้ตามที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละ <c oughs> อะไรละ่ะหลวงพ่อพูดไปก็จําเอามารู้หมดอย่างนี้เขาไม่ได้ฉะนั้นธรรมะท่านบอกว่าให้มันเกิดเองให้มันเกิดพร้อมกับสภาวะอาตมาทั้งบอกว่าคนขอใครตนนัวนี้เพิ่ม น, นิ้ว่า ทำไมถึงทุกวันนิพพาในประเทศไทยนี้เรียนจบกันเยอะระดับด็อกเตอร์เขาเยอะทําทวิจัยเรื่องคำสอนพุทธเจ้านี่แหละอริยสัจสี่ไต ร, ตรลักษณ์มรรมีองค์แปดจบกันมาเยอะแต่ทําไมพอจบแล้วก็รีบสึกไปมีครอบครัวแล้วก็อ่าทําการทํางานสอนหนังสือไปเพราะอะไรทั้งที่รู้สิ่งที่พุทธเจ้าสอนทั้งหมดวิจัยจนละเอียดแต่ทําไมถึงไม่เกิดไม่เข้าใจสภาวะ นั่นเปนตัวหนังสือหลวงพเทียนบอกว่าตัวหนังสือเพราะมันไม่มีสภาว่ามันไม่เกิดความเบื่อหน่ายศึกษาแล้วมันไม่มีสภาว่าให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายก็ไม่ใครกําหนัดฉะนั้นอันนี้ก็คงจะตรงประเด็นในส่วนที่เป็นพระแม่เทนีบีบมวยผมนะในส่วนที่เป็นปรมัตคือต้องใช้ปัญญานอกจากคันติอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยในส่วนในที่ขาดตกบกพรองหลวงพ่อก็ค่อยเสริมอีกทีหนึง่งครับ เพราะว่าหลวงพ่อท่านถามคําตอบที่ตัวเรู้อยู่แล้วก็นี่คือภาษาในพุทธศาสนามีสองภาษาได้กล่าวแล้วคือภาษาคนภาษาธรรมภาษาสมมุติกับภาษาปรมาธินี้ถ้าหากว่าเราจะเชื่อไหนเนี่ยถ้าจะเชื่อภาษาปรมาธิแสดงว่าสมมุติที่สร้างมานะเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าไม่ใช่คืออย่างนี้นะ ผลไม้ทุกผลเนี่ยถ้าไม่มีเปลือกเนี่ยมันจะมันจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเนื้อแก่นมันจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฉันใดก็ดีพุทธศาสนาเป็นธรรมชาติจะต้องมีเปลือกหุ้มเนื้อแล้วมีเนื้อหุ้มเม็ดฉันกดอันใดก็ดีคือมีสมุรหุ้มประมัดและประมัดหุ้มสัจธรรมมีทั้งเปลือกทั้งแก่นทั้งเม็ดเพราะฉะนั้นมันจะช่วยกันแทนที่จะปฏิเสธกันนะ ดังนั้นเองในส่วนของสมมุติและประมาจิตตรงนี้คือว่าพอพระพุทธเจ้าอธิษฐานปั๊บเหมือนเราอธิษฐานจะทําอะไรสักออเดินนั่งสักสองชั่วโมงโอ้สองชั่วโมงต้องถามหมอเทียนสองชั่วโมงจะผ่านไปได้จะขนาดไหนวิกฤตมากเลยใช่ไหมเอาม า, อายุให้หมอนั่งทีละสองชั่วโมงนะบอกว่าวันหนึ่งนั่งได้หกชุดได้สิบสองชั่วโมงโอ้อามาว่าหมอเด็ดขาดเหมือนกันแสดงว่าอะไอธิษฐานจิตว่จาจะนั่งสักสองชั่วโมงไม่ลุกไปไหนเลยทําอย่างเดียว ามาเคยประสบผลสําเร็จมาก่อนพ่อหลวงพ่อเทียนจับเข้าห้องกับมาถานแล้วไม่รู้จะทําเวลาเยอะหรือคืนทั้งวันไม่รู้จะทำอะไรเอาได้นั่งนั่งทีได้สองชั่วโมงส อ, งสองปรากฏว่าได้รับผลสําเร็จก็คือเข้าใจอารมณ์นะคือมันต้องมีอธิษฐานจิตแต่ในอธิษฐานจิตมันจะมีสิ่งรบกวนทันทีอย่างที่อาจารย์อภัยว่าอธิษฐานไปาพอดิษฐานป๊อปเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นถ้าหาเราไม่อดทนไม่มีเมตทารณีเนี่ยเป็นยังไงเราก็วิ่งตามมันไปเลยใช่ไหมลุกไปเลย แต่เรามีอธิษฐานแล้วต้องมีความอดทนอดทนที่จะดูปรากฏ ว, ว่าพอเจ้าชายเสด็จาอธิษฐานปั๊บเรื่องอะไรมาโอหพิมพาา์พาราหุ่นก็คงจะเป็นไงห่วงหาอะไรพ่อแม่ก็แก่เท่าอนาประชาราชคงจะบุญหาเป็นยังไงมาเลยเรื่องอย่างนี้โอ้โหเราออกจากบ้านจากเมืองป่อยพ่อแม่อยู่บ้านเราไม่รับผิดชอบอนาประชาราชครอบครัว ก, ก็ทิ้งมาเราถูกสังคมตําหนิเนี่นคิดอย่างนี้พอคิดอย่างนี้ปั๊บ ท่านตกใจนะว่าโอ้ความคิดอย่างนี้มันไม่เคยมีมาก่อนทําไมเมื่อคิดวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะทําไมวันนี้มาคิดท่านได้สติขึ้นมาตกปั๊บขึ้นมาแล้วปังสะดุ้งมานคือคือคือความคิดอย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วท่านก็นทนดูมันต่อไปลักษณะทนดูต่อไปกับความคิดเรียกว่าแมทรณนีนะอันนี้หรือเปล่าปังสะดุ้งมานเอใช่หรือเปล่านะ เออต น, นี้เสร็จแล้วการที่พอได้สติขึ้นมาปั๊บก็เลยพี่อ๋ออันนี้คือตัวความคิดและความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้าที่ฉันจะเอาเติฐานนั่ง้รือยความคิดแบบนี้มันมาจากไหนมาจากอารมณ์มากระทบจิตเริ่มใช้ปัญญาแล้วตอนนี้เริ่มเลียบเลี่ยม พอเรียบเรียงอ๋อมันมากระทบปับ๊บเกิดความคิดความคิดตอนแรกเป็นรูปกับนามมากระทบกันแล้วเราสติไม่ทันมันกลายเป็นนามาลูปมาเป็นความคิดความคิดตัวนี้กลายเป็นสังขารกลายเป็นจิตยาณกลายเป็นเวทนาตันหาอุาทานชาติพบึ้นมาเห็นปฏิสุบัติทันทีพอจับตรงนี้ได้ด้วยนะจับทะลุปู่พวงเลยปัญญาเกิดปรากฏว่าในยานที่สองแล้วจุดูปปัฏฐานได้บรรลุยานที่สองยานแรกคือเห็นรูปนามตอนแรกนะ คอเห็นว่าอ๋ออันนี้รูปกับนามากระทบกันแล้วจึงเกิดความคิดแล้วความคิดมาจากไหนเ่ยกระทบแล้วที่มาตบมือเมื่อวานตบปับเสียงมาจากไหนเ่ยอ่าถ้าเอามาตบยนยมไปอยู่ที่นิยมได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะได้เสียงมาจากมือรยมาาจกไหนถ้าเสียงมาาจกม็อยู่นู้นเขาต้องได้ยินเห็นไหมเสียงมาจากไหนเกิดองค์ประกอบหลายด้านก็เกิดปัญญาพุ่งโพล่งขึ้นมาน้ําแม่ธรณีก็หลั่งไหลออกมาคือตัวปัญญา เรีรู้เห็นตัวการเกิดดับเกิดขึ้นเรียกว่าจุตูประปัตญานในยานที่สองมาเห็นในตัวนี้การเกิดดับของตัวเองถามว่ามานมาก่อนหรือว่าพระพุทธเจ้าจตดสรู้ก่อนหาคำตอบได้หรือยั ง, งเพราะมานมาก่อนแล้วจึงได้แต่สรู้ ถ้าไม่มานไม่มีบารมีไม่เกิดเห็นไหมเราบอกแล้วเนี่ยมันจะต้องมีมานมาก่อนแล้วก็เกิดการต่อสู้ขึ้นมาเมื่อต่อสู้ชนะก็จะได้สําเร็จนะสนอย่างนี้เพราะว่าน้องพ่อบอกตอนแรกมานมาช้าไปนะ <c oughs> อันนั้นคือผงเาวดานานี่ไง <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเปลือกของมันเปลือกทูเรียนกันเนื้อทุเรียนนี่มันเหมือนกันนะ <c oughs> เปลือกทุเรียนเป็นยังไง มันแหลมมันแข็งกินได้ไหมแต่เนื้อทุเรียนทำไมมั น, อ, มนอร่อย อ, ะ อ, ยอ่ะอ่า <c oughs> เห็นไหมมันมันเป็นอย่างเพราะฉะนั้นเปลือกกับเนื้อไม่เหมือนกันฉันใดนี่ทานได้ปรมัดอยู่ด้วยกันแต่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเพราะว่าในพุทธประวัติมานตัดสรูก่อนมานเข้ามาเออใช่ในในตัวเปลือกนั่นต้องตัดสลูก่อนน้ำมันมาแต่ในตัวปรมัตดมานมานก่อนแล้วค่อยตัดสลูอ่า อ่าแถ้ า, าวาเรื่อก่อนจะเอาอะไรมาชนะอะไรเือเองอาเพราะฉะนั้นจุดนี้นะให้เข้าใจว่าตัวแม่ธรณีคือตัวความอดทนและบีบมวยผมคือการใช้ปัญญาใช้โยนิสมนุสิการแล้วตัวอาวะตสรูุก็คือตัวมากระตุกของมันปั๊บแล้วเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาก็ตามดูพอตามดูเห็นต้นตอต อ, อนา ม, มาลูกมันก็มาจากการกระทบออ ก, การกระทบก่อนที่จะมา กระทบไปไงเมื่อกระทบถ้าหากเรามีสต no no ิการกระทบนี่ก็ไม่ก่อให้เกิดนามบรูปกระทบแล้วรู้เฉยๆนามมรรลุไม่เกิดมีแต่นามเฉยๆแต่พอสติปัญญาไม่มากระทบปั๊บเกิดนามบรรลุมานมามานเกิดจากนามบรรลุแต่รูปนามเฉยๆมานมาไม่ได้มานอาศัยความคิดเกิดเมื่อความคิดปั๊บมานเข้าเมื่อไม่คิดปั๊บมานเข้าไม่ได้นามบรรลุคือความคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมานมากับความคิด เพราะนั้นพระพุทธเจ้ามีตัวรู้พระพุทธเจ้ารู้ก่อนมานันเกิดไหมแต่ถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามานเกิดเพราะฉะนั้นในแง่ปรมัตา์มานอาจจะมาก่อนหรือมาหลังพระพุทธเจ้ามาก่อนขึ้นอยู่กับว่าตัวสติปัญญาจะมาไหวหรือไม่ไวเห็นไหมอันนี้มันแก้กันในตัวนั่นเสร็จเลยนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้การบรรลุธรรมก็ดีอันนี้เป็นสิ่งสมมุติคือกันเมื่อมีสิ่งมากระทบแล้วสติมาไม่ทันมานเกิดแต่เมื่อกระทบแล้วสติมาทัน มานเกิดไม่ได้ชนะทันทีครับพูดถึงมารแล้วเนี่นึกถึงภาพที่เขาเขียนตามฝาผนังเลมารมันมีเยอะนะมีทั้งจระเข้ทั้งงูใหญ่ทั้งช้างอ่าดีไม่มีเสือซิงกระถึงแลนดมาด้วยนะมาทุกอย่างฉะนั้นผมก็เลยนึกถึงว่าจระเข้นี่เพราะว่า อ่าเห็นแ ก, ก่ปากแก่ท้องหรือเปล่าครับเพราะซาลิเคมันเขาบอกว่าอะไรมันมีรสไม่มีลิ้นมันกลิ่นได้นซาลิเคสัญลักษณ์งูนี่อาจจะเป็นความง่วงเหงาเขานอนนะเพราะว่ามันนอนมาเขาเรียกว่านอนมาเลยนะชาญเขาอาจจะเป็นช้างที่งุ่นหิดง่ายนะกระทบหน่อยไม่ได้ช้างจหงหิดง่ายเป็นพญา ป, ปาทะก็ได้นะแล้วก็ปู่นสร้างําคาญใจแล้วก็ มีตอนแรกก็ส่งทิดามานมาก่อนคืออานางตันหานางอาราดีนะันางราคา<ม>ก็บอกอยู่นางตันหาคือตันห า, น า, า, า, า, า, านางราคาราคานางราคะนางอารดีความยินดีฉะนั้นก็กรารฉันทธกในส่วนนั้นนะครับอทีนี้โยมจะเจอมานกี่ตัวก็แล้วแต่นะเพราะว่าหลายคนก็เจอต่างกันไปแล้วแต่จลิตบางคนก็เป็นคนง่วนยิดง่ายบางคนก็อ่า ก็เรียกว่าง่วงง่ายโมโห ง, ง่ายอะไรต่างๆคนนีน้ทั้งห่าตัวนั่นนหะะแล้วแต่ฉะนั้นเวลาหลวงพ่อใกล้จะสามทุมแล้ว น, นะครับผฉะนั้นผมก็คงจะมอบหมายหลวงพ่อได้สรุปอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะได้ออรอบรู้แล้วก็จะได้เอาไปแก้ไขาอารมณ์ในพุ่งนี้ที่จะไปพึ่งปฏิบัติกันตอ่อครับนหมดครับ ทำไปทํามาคําถามหมดเนี่นะไม่ใช่คำตอบหมดแต่คาถามหมดนะก็เราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ว่าเราได้ต่อสู้มามาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สองละเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่ามันมีบทบาทจริงๆถ้าเราขาดคุณธรรมสองตัวจําได้ไหมที่จะเอาชนะบาลได้คืออะไรขันติความอดทนกับปัญญา โดยสติปัญญาที่สามารถช น, นปะปสรศกได้แต่ส่ญญวนใหญ่เวลาออกปฏิบัติจริงๆแล้วเราเราเราขาดตัวไหนบางที่ขาดทั้งสองอย่างเลยนะความอดทนก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีบางคนมีความอดทนแต่ไม่มีปัญญาบางคนมีปัญญาแต่ไม่มีความอดทนนะเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้อาจารย์อาัยอาจจะพาอาธิษฐานดูนะนวันละสองชั่วโมงนะระวังให้ดีวันนี้ท่านเกิดขึ้นเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ต้องระวังให้ดีกันแล้วกั น, นเออองดูนะ <S <S ก็เป็นอันว่าได้เวลาที่เราจะไปพักผ่อนกับเขานมโนทนาสาธุในความตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้ในสภาวะธรรมในภาษาที่เป็นสมมุติพูดแต่ก็สามารถสื่อความหมาย ให้เข้าใจเห็นถึงสภาวะเพราะท่านได้ทำในสิ่งที่เราพูดและเราก็พูดในสิ่งที่ท่านทำก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายก็ขออนุมโมทนาว่าถ้าความตั้งใจความอดทนและมีสติปัญญาได้ตลอดก็สามารถจะรู้ทาเห็นทำเข้าใจทำด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ